อัลฮั ا ดุลิลลอฮ์ใน ن ا ل ر ح ي م จ ل มซุ ا ل ัล ر อ ي ن อัล ص ل ا ة والسلام على سيد المرسلين وصلاة والسلام على سيد المرسلين وإما م المتقين وقائد المجاهدين م ح م د و على آله وأصحابه ومن استن ى بسنته ومن احتدى بهدي إحسان إلى يوم الدين <ت ص في ق> ر ب إ ن ا ظلم ن าผ ن ้ส ن าอีล ن มตักฟิล ا าแ ر ะร ن าม ن าแล ن ค ن ณน ن ا ม ن าข้า ن ا ีน ن ับ م า ن าอิ ا นًสเมียนนามน م ดียิญัดี ا ิมอิม ا ณُ ن ا ب นบิรับ ف ุคุณเ ن ้า ن นน ا รับบานาฟักฟิลนาดุโนบน ا และคัฟฟ ربنا و آ ت ن ا ما أعتنا لا ر س ل ك ولا تُخذنا يوم القيامة إنك لا ت ُ خ ل ِ فُمي عاد اللهم أرنا ا ح ق حقا, حقا ورزقنا ا ت ب ع وأرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه ربنا هئ لنا من أمرنا رشدا، ل ل ه م حبيب لين إلين إيمان، وزين في قلوبنا و كره لين كفر وانفسوق، و ا ن ع ي ا ن وجعلنا من الرشدين. ا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. สำหรับอีกวันหนึ่งของสิบวันสุดท้ายของเดือนอมตอนสาหรับอีกวันหนึ่งที่หวังว่าจะเป็นวันที่ ไ ด, ดรเร้เพิ่มพูนความดีแก่เราเพิ่มพูนอะไรนว่าหลามันซอเเพิ่มพูนความรู้แล้วก็การงานที่ดีงามบรรดาสารุทธศลาหรือคนบรรดชนอทรงคุณธรรมหล่บรรดาซาบะก็ท่านน บ, บววาาาีสลต์ละฮ์กัาะัลลฮแลมนะครับ มีหลักที่สำคัญนะครับมีหลักที่สำคัญในการดำเนินชีวิตครับในแต่ละวันอยู่ประการหนึง่งดังที่ปรากฏในคำพูดของท่านอิบนุมัสอูดรยาลลอฮ์อันฮุาบ ا ب าที่มีร่างเล็กๆร่างผอมเพียว แต่ว่ามากด ER ้วยวิชาความรู้เป็นผู้ที่มีความรู้เฉพาะทางเรื่องหนึ่งก็คือความรู้เกี่ยวกับอัลกุรอานโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิมนุมอูดได้รับเกียรติสูงสุดจากท่านอสลซลลลลอฮะซลลัลลอฮฺวะอาลียฺัลสลัม ให้ได้อ่านอันกุรอานให้ท่านฟังรลลเคยขอท่านอิมรุมูดบอกว่าให้อ่านอันกุรอานให้ฉันฟังหน่อยสิอิรุมูดรู้สึกละอายบอกกับท่านรลล็ลลัลลอฮะััมว่าโอ้ท่านรลลท่านจะให้ฉันอ่านให้ท่านฟังในขณะที่อันกุรอานลงมาอย่างท่าน อันกราลงมายังท่านและท่านจะให้ฉันอ่านให้ท่านฟังกันนั้นหรือหมายความว่าเขาควรที่จะรับฟังจากท่านอัลสุลลาะสลลัลลอฮฺองอ i อัลลอฮลัมพบรรดาสหาบะรักและเตืดอทูลท่านอัลสุลลาสลลัลลอฮฺอง ali อัลลัมเวตาเวลาท่านอัลสุลลาะสลลัลลอฮฺเลสลัมถามอะไรว่เขามักจะตอบ ด้วยความนอบ น, น้อมถ่อมตนอยู่ตลอดเวลาว่าอัลลอฮฺวะราสซูลุฮูอัลลอฮ์และราซูลของพระองค์ทราบดีรู้ดีพวกเขาไม่เคยแย่งตอบพวกเขาไม่เคยอวดรู้นะครับก่อนที่ท่านราซูลลสซาลลัลลอฮฺวอะลัยฮจะบอกหนึ่ง ในหลักของการดาเนินชีวิตที่ปรากฏในถ้อยคำของท่านอิบนุมัสูสก็บรรบอกว่าไม่มีวันไหนที่ดวงอาทิตย์ขึ้นนะครับก็คือคำว่าดวงอาทิตย์ขึ้นนหมายถึงว่าวันหนึ่งๆเนี่ยที่จะเลวร้ายยิ่งไปกว่าวันที่ดวงอาทิตย์ขึ้นมาแล้วก็ตกไปสว่างแล้วก็มืดค่าผ่านพ้นไปโดยที่ ความรู้ของเขาไม่ได้เพิ่มและอามัมโซเล่ไม่ได้เพิ่มความรู้เพิ่มอมันซอเล่เพิ่มความรู้เพิ่มอามัมโซเล่เพิ่มไม่ใช่ความรู้เพิ่มความชั่วเพิ่มรู้มากยิ่งชั่วมากรู้มากยิ่งเกเรมากไม่มี ความรู้คือสเสบียงสําคัญของคนรุ่นก่อนที่จะปรับปรุงที่จะพัฒนาพวกเขาจึงพัฒนาได้เร็วมากยี่สิบปีของเราสุลต่านสุลต่านอัลลอฮฺอิสลามเป็นยิบิยี่สปีที่สร้างโลกเปลี่ยนโลกแต่ยิบิยี่สปีของคนทุกวันนี้ยังเป็นยี่สิบปีที่วนเวียนอยู่ตามร้านน้าชาวนเวียนอยู่บนท้องถนน วนเวียนอยู่ในเรื่องไร้สาระยี่สิปีผ่านไปโดยไม่มีอะไรเพิ่มขึ้นเลย20ปีของทศาสราซุลรอยี่บองปีของทาสราซุลอิสลามไปค้นโลกครึ่งโลกไปแล้วตามมาด้วยสมัยของซาบะอับูบักโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมัยของอุมักอิสลามได้แผ่ขยายไปเกือบทั่วทุกมุมโลกเข้าไปแม้กระทั่งดินแดนในทวีปยุโรป س น, นี่คือหลักหลักว่าความรู้เพิ่มความดีเพิ่มความรู้เพิ่มความดีเพิ่มขยายผล้วยการปฏิบัติพอปฏิบัติแล้วกลับมาเรียนใหม่เอาไปปฏิบัติเหล่านี้นะครับคือสิ่งที่จะทำให้สังคมก้าวไกลแต่ท้าไม่สอง ความรู้ทุกวันนี้ความรู้มันเยอะเหลือเกินมีทุกหนทุกแห่งมีแม้กระทั่งตามป้ายโฆษณามีทั้งจากทีวีมีทั้งจากนะครับนะมันติมีเดียต่างๆในหนังสือตำรับ ต, ตำตำรับตาราแต่ทำไมโลกมันถอยหลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งความประพฤติของคนเขาไม่เคยคิดว่าความรู้ จะต้องเกิดประโยชน์จะนำมาสู่การปฏิบัติวันที่เลวร้ายที่สุดสาหรับบรรดาสาบะคือความรู้ไม่ได้เพิ่มวันหนึ่งที่ความรู้ไม่เพิ่มและาการงานที่ดีก็ไม่ได้เพิ่มเพราะาการงานที่ไม่ได้วางอยู่บนพื้นฐานของความรู้นั้นเป็นการงานที่ไม่รู้จะถูกหรือผิดละหมาดมาสิบปีไม่เคยเรียนเรื่องละหมาดเลยเชื่อไห บางคนละหมาดตัต้งแต่เด็กจนกระทั่งจะจะลงหลุมแล้วยังไม่เคยเรียนเลยเรื่องการละหมาดได้แต่เห็นได้แต่มองได้แต่ฟังว่าเขาว่าอย่างนั้นเขาว่ายทำอย่างนี้เขาว่าอ่านตรงนั้นอย่างนั้นอ่านตรงนี้อย่างนี้เห็นนะครับคนข้างางนะครับทาอย่างนั้นก็าทาตามไล่ไปเรื่อยในทุกๆเรื่องอยกกระทั่งไปประกอบพิธีกรร์ก็าทาตามกันไปพอใครมาบอก ที่แตกต่างไปจากนั้นโอ้เลยงงมีด้วยเรือศาสนาแบบนี้ไม่เคยเห็นช่างน้าสงสารเลยเลยชีวิตชีวิตหนึ่งเนี่ยไม่เคยได้เรียนสุภาฮาละลอุคซิมคนหนึ่งเนี่ยไม่เคยได้เรียนเรื่องศาสนาเลยเรื่องอิสลามเลยสุภาฮาละลอไปสุเราไปวันศุกร์ก็ไปนั่งหลักอีกต่างหากถ้าวัยรุ่นไปแล้วไม่เข้าสุเรา เชื่อไหมนี่ถ้าครูไม่ไล่ไม่รู้วเราจะเข้าสุเราหรือเปล่าวันศุกร์นั่งตน้นตามต้นไม้นั่งที่ศาลาข้างสุเราข้างมัสยิดนะครับจะเข้าสุเราก็ต่อเมื่อโลหิตบัลลังก์บับบกัมัดออกจากสุเราเร็วมากให้สลามไปหมดแล้วเสียงมอเตอร์ไซ ยังกรเสียงในสนามอะไรที่ก็แข่งรถนะครับสุภาลองโชัยตอนเก่งเหลือเกินที่เราจะหลอกลวงประชาชาินี้ให้เป็นประาชาชิที่มะุ่มเป็นประาชาชิที่ไม่ได้รับสิ่งที่ดีงามกุญแจดอกเดียวที่จะไขไปสู่สิ่งที่ดีงามคืออัลัยลอัลไลล์วิชาความรู้ ไขไปสู่และความรู้ที่ยิ่งใหญ่เนี่ยอยู่ต่อนหน้าอยู่ในทุกๆบ้านอยู่ในทุกๆมัสยิดอยู่ในทุกเรียกว่าทุกๆ ท, ที่ไม่มีใครที่ไม่รู้จักแหล่งความรู้กุญแจดอกใหญ่ก็คืออันอันกุรานกิตาบุลโลกิต า, าบุลลอสนุกได้เรียนได้เรียนบางคนไปเรียนเดี๋ยวนี้นะครับ เดี๋ยวนี้เด็กอนุบาลเขาก็จัดอะไรนะจบชั้นอนุบาลสามเนี่ยเาจัดรับอะไรรับปริญญาแต่ก็ดีเนาะแต่ก็ดีจบไปนีญญตดรับปริญญาถ่ายรูปกนะ็เป็นนะเป็นโหลๆถ่ายกับคนโน้นถ่ายกับคนนี้ถ่ายกับดอกไม้ถ่ายสารพัดถ่ายถ่ายรูปฉเฉลิฉลมฉลองม่ฉลองกันใหญ่โตเลยไปเรียน มาวิทยาลัยจบปริญญาตรีแต่ที่ไม่เคยได้ฉลองคือความรู้จากพระผู้เป็นเจ้าไม่เคยสนุกไม่มีใครเคยสนุกเคยยินดีปติยินดีที่ได้เรียนอันกราบลองกลับไปถามเราสนุกเรายินดีนะครับกับคำพีเรื่อนี้บ้างไหมหลายหลายลหลวงพ่อยงน่าเวทนาเหลือเกิน อันกรานมาเปลี่ยนแปลงคนมาเปลี่ยนแปลงโลกมาสร้างสังคมสร้างเศรษฐกิจสร้างการปกครองอันกรานทั้งนั้นเลยมุฮัมมัดสุสลต ล, ล, ลยสร้างมาตัวเปล่าฐานะของมุฮัมมัดสุสลต่วายลยะ อ, อย่ากูู้นักาไย้ำชูฟินอัสวสกินข้าวแล้วกลับไปเดินในตลาดทามาหากินทาอาชีพเดี๋วเอาสตังค์มาซื้อข้าวกิน ทำอาชีพเอาสตงังมาซื้อข้าวกินมาแค่นี้ยมาได้สองมือมาได้สองมือแต่ว่าลอสละหัตถ์ลาประทานสิ่งที่ยิ่งใหญ่จภากฟ้าฟ้าชั้นสูงสดุดเมตตาต่อมนุษยชาติว่ามาอับันน่าะอิลลัลหตถ์ลิลอาลามีนแล้วไม่ได้ส่งเจ้ามูฮัมหมัดมาพร้อมกับอันกุรอานเนีย่ยเป็นรัชมัตถ์ลิลอาล่นแต่เป็นรัชมัตถ์ลินอาลามีนเมตตาทุกเรื่องเลยเมตตาทุกเรื่องเลย เมตตาทุเรื่องว่าจะให้เสียผู้เสียคนละหมาดก็เมตตานั่นละหมาดก็เมตตา <c oughs> <c oughs> ในการกินก็เมตตาในการแต่งกายก็เมตตาเมตตาหมดเลยรนะบบอิสลามสุบฮานโ ม, มความรู้ความรู้ดัง น, น, นั้นเมื่อตรงที่หนึ่งที่ใดที่นั่งเรียนวิชาความรู้ นั่งลงตรงไหนแล้วเราได้รับความรู้เนี่ยให้รู้เสรจว่านี่มันดีที่สุดสำหรับชีวิตมันดีกว่านั่งร้านน้งชามันดีกว่านั่งอยู่หน้าเกมหน้าโต๊้เกมมันดีกว่านั่งอยู่หน้าจอโทรทัศน์มันดีกว่านั่งอยู่หน้ า, นานหน้ า, นาอะไรครับหน้าไหนอีกข้างสนามบอลดีกว่านั่งโมกันอยู่วิชาคามรู้ ในยุคที่อิสลามรุ่งเรืองมัสยิดจึงเต็มไปด้วยผู้คนทั้งผู้รู้และผู้เรียนล้นบางยุคบางสมัยคนเป็นแสนคนเป็นแสนครับมาเรียนหลายหล ย, หล ย, หล ย, หลยมัสยิดจึงถูกสร้างอย่างใหญ่โตในกรุงแบกแดดในดิมัชในที่ไหนอีกครับที่อันดาลูสสเปน มัสยิดใหญ่โตมากทําไมมัสยิดถึงใหญ่โตครับไม่ใช่สร้างไว้เพื่อที่จะให้คนมาถ่ายรูปไม่ได้สร้างไว้เพื่อให้เอาโอ้วัดว่านี่ที่นี่มัสยิดสวยมีมัสยิดใหญ่โตจับโน่นจับนี่แต่คนใช้ประโยชน์จริงๆทุกวันนี้แค่มัสยิดกี่ไม่กี่ตารางเม็ดก็มีคนแม้กระทั่งคนละหมาดอย่าว่าแต่เรียนครับประตูของการศึกษาได้ถูกปิดลงแทบสิ้นเชิงในมัสยิด กลับไปดูที่บ้านเขาสอนกันกี่วันคนที่จะมานั่งสอนมัสยิดในอดีตมีผู้วักขับเสาวักขับเสาวักับเสาหมายความว่ายัง ไ, ไงบริจาคเงินให้สร้างเสามัสยิดล่าไม่ใช่วักขับเสาหมายความว่ า, า, ววามีคนประกาศไว้ว่า ถ้ามีผู้รู้คนใดมานั่งที่เสานี้แล้วสอนผู้คนด้วยวิชาะแขนงสาขาอะไรก็ตามแต่เพราะว่าแขนงสาขาวิชาในอิสลามมีเยอะแยะมากวิชาฟิกวิชาตัปซีดวิชาตะยวิทวิชาอะไรอีกครับเยอะแยะมากมายถ้านั่งลงตรงเสานี้ฉันขอจองไม่ให้ใครเลย ฉันขอจ่ายค่าตอบแทนให้กับคนที่มานั่งสอนตรงเสานี้มา ช, าลมาชาัลอไม่เคยปรากฏจนทุกวันนี้ไม่มีเลยมันเป็นอะไรที่สุบฮาลละาอพอไปอ่านแล้วได้ละหลายลลอในยุคเมื่อพันปีเมื่อพันปีบาาพกยุคเมื่อสี่ห้าร้อยปีที่แล้วหกหร้อยปีที่แล้วเจ็ดร้อยปีที่แล้ ว, ปปล ว, ปปลวเป็นอย่างนั้นจริงๆ แล้วทำไมระหว่างเสานี่มันไกลมากครับโอ้คุณคุณนั่งลงแล้วก็มีคนมานั่งล้อมพระนักเรียนนี่ชอบไม่เหมือนกันคนนีชน้ชอบนาฮูชอบสอรับชอบอะไรต่างๆที่จะเรียนภูมิศสนมานั่งประจามาแล้วความรู้ความรู้ประชาชาติอิสลามเป็นอุมมันอาุอมมาตุลไลล์อุมมาตุลกีราอุมมาตุลกุรอาน ล้วนแต่ตัวชีวิตของมันคือความรู้แ น, น, น, น่ออละฮ์อัลลอฮ์อับดุเจา ز ีเขียนไว้นังสือนะครับนี่จะ อ, อยู่ข้างหลังอาจารย์หนังสือไส้ดุลขอ้อเจ็บ <c oughs> บอกว่า คนที่มาตาบัตตัวกับท่านเนี่ยเป็นแสนคนอาจารย์นั่งนึกนึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกมาตาบัตตัวเป็นแสนทำไมคนถึงตาบัตตัวกับบรรดาอุลามะเพราะเขาสอนเขาบอกนี่คนไม่รู้คนไม่รู้ คนไม่รู้วอานี่คือความผิดพอสอนไปได้รู้จักอัลลอ์ได้เข้าใจชีวิตได้ต่างเขาตอบ่าตัวต่ออัลลอฮ์สวตาตละคนสมัยก่อนก็เคยกินเหล้าคนสมัยก่อนเคยทาซินา่าคนสมัยก่อนก็เคยลักขโมยคนสมัยก่อนเคยฆ่า ค, าคอนอื่นคนสมัยก่อนเคยโกงคอ น, กนอื่นมนุษย์ทุกยุกคทุกสมัยไม่ได้แตกต่างกันอะไรในความดีและความชั่วมีทั้งความดีและความชั่ว แต่นในมนุษย์ที่ยุคมนุษย์ในยุคที่เขาถึงวิชาความรู้เขารู้ว่าควรจะทำอย่างไรเปลี่ยนแปลงตนเองสุว่าานัล่ในเดือน ร, รมาอนก็จะเห็นผู้คนล้นออกไปนอกมั ส, สยิดละมาศบนถนนละบานบนอะไรต่างครับตอนมันตกจึงอิจฉาเนี่ย แต่มันตกยึงอิฉาอิจฉาในเรื่องของความรู้จนกระทั่งว่ามันมากมายถึงขนาดว่าพวกนักบวชพวกโป๊พวกสันตปาปาเคยเป็นลูกศิษย์ลูกหาของมุสลิมแน่นอนว่าในยุคหนึ่งในยุคที่วิชาความอิสลามเนี่ยยิ่งใหญ่เกรียงไกรอิสลาม ได้เอาความรู้บางส่วนมาจากโลกตะวันตกแต่มาขยายผลมาพัฒนาหลังจากนั้นพวกตะวันตกก็มาที่โลกเุสลิซีมแล้วก็เอาความรู้นี่กลับไปต่อยอดอีกทีหนึ่งมันเป็นอย่างนี้ความรู้เป็นเรื่องที่แลกเปลี่ยนความรู้เป็นเรื่องที่ถ่ายทอดถ่ายเท ร, ระหว่างมนุษย์ไม่ได้กีดกันไม่ได้กักกันว่าคุณตะวันตกจะมาเรียนจากตะวันออกไม่ได้คุณตะวันออกจะไปเรียนจากตะวันตกไม่ได้ เช่นวันนี้เมื่อความรู้มันอยู่ในโลกตะวันตกมันอยู่ในอเมริกามันอยู่ในอังกฤษมันอยู่ในฝรั่งเศสมันอยู่ในเยอรมันมันอยู่ในญี่ปุ่นเธอมีโอกาสที่จะไปเธอมีโอกาสที่จะไปเรียนเธอไปเรียนกลับมาโอ้เธอเป็นมุสลิมใช้อิสลามกันกรองวิชาเหล่านี้มาขยายผลสร้างความมั่งคัง่งสร้างความอะไรครับรุ่งโรจน์ให้กับอิสลามเป็นแบบนี้ เป็นแบบนี้วิชาความรู้เป็นของอัลลอฮฺบะฮาตัลลาอัลฮิกมัตุดัลลัตุนูมินท่านนบีซามุลล่าเลสลามได้ให้หลักไว้ว่าวิชาความรู้เป็นของมีค่าที่ได้สูญหายไปจากมุสลิมฟะไอหนาวจัดฮะฟะอันหนจัดฮฟะฮุวอะฮักบิฮ ท่านนาบีบอกว่าเขาไปพบมันอยู่ตรงไหนเขามีสิทธิ์อย่างยิ่งที่จะเอามันมาได้ได้หลงลเป็นพึ่งเป็นพึ่งครับมุสลิมกลับกับความรู้เป็นเหมือนพึ่งกับน้ำหวานเป็นไงพึ่งกับน้ำหวานน้ำหวาน ที่มันอยู่ตามดอกไม้เนี่ยดอกไม้นานาชนิดดอกไม้บางชนิดต้นของมันมีน้นาใบของมันมีน้นาฟังให้ดีนะแต่พึ่งก็บินเข้าไปเอาน้ำหวานออกมาโดยที่ไม่ได้รับอันตรายจากหนามของต้นไม้แล้วกลายเป็นชิฟ้าอุลลิ น, นสัส ชิฟ้าอุลลินนี่คือมูมินนี่คือมุสลิมเข้าไปในมหาวิทยาลัย ร, รอบตัวเขามีแต่ของที่ไม่ดีอย่าว่าแต่นักศึกษาสังคมนักศึกษาเลยครับสังคมอาจารย์อะไรต่างเขาแบก็ไม่ได้อหญ่ให่ดีนะครับนั่งเรียนไปฟางนั่งดูขาอาจารย์ไปฟางนั่งดูก้นอาจารย์ไปฟางอาจารย์ก็แต่งตัว สุบฮานาลอตแต่เขาเป็นพึ่งเขาไปเอาแต่น้ําหวานเขาไม่ได้เอาหนามของมันออกมาไปเอาแค่น้ําหวานแล้วกลับมามาชะออลลอมาชะออลลออย่างที่นักศึกษาปัจจุบันนักศึกษามุสลิมเราเข้าไปในรั้วของมหาวิวทยาลัยที่เป็นโลกที่สระเสรีคุณจะอยู่ยังไงคุณจะควงกับใครคุณจะมีคู่นอนสักกี่คนคุณจะทํำยังไงคุณจะกินเหล้ากินเบียร์ เรียนแล้วคุณสอบผ่านคุณก็มีสิทธิ์ได้ปริญญาคุณก็มีสิทธิ์ได้ฉลองกับเขาเหมือนกันไม่มีใครสนใจไม่มีใครมาตรวจสอบว่าประวัติคุณเละเทะอย่างไรแต่สำหรับมุสลิมเขาไปเอาแค่น้าพึ่งแค่น้าพึ่งออกมามาเติมเต็มในรังพึ่ง แล้วก็เป็นยาหรือว่าเลี้ยงลูกพึ่งให้เจริญเติบโตต่อไปเป็นพึ่งอีกนั่นแหละตัวเล็กนิดเดียวแต่มีคุณค่าต่อมนุษย์นักวิชาการส า, ารุทธสารเล็บบอกไปให้เรากูนูกันนะละพวกท่านจงเป็นเหมือนกับเหมือนกับอะไรครับ เหมือนกับพึ่งที่ลกเห็นแล้วก็ดูถูกว่าไอ้นี่มันตัวเล็กนิดเดียวตัวเล็กนิดเดียวเขาดูถูกเราด้วยรูปร่างหน้าตาของเราไม่เป็นไรดูถูกเราด้วยภาษาที่เราใช้ไม่เป็นไรดูถูกเราด้วยเรื่องศาสนาที่เราปฏิบัติไม่เป็นไรแต่เรามีคุณค่าในตัวเราเองพึ่งพึ่งมีคุณค่าในตัวเอง แม้จะถูกดูถูกเรานอบน้อมทมตนนละหออาจารย์เห็นภาพเห็นภาพอาจารย์เห็นภาพครูบาอาจารย์ที่เคยสอนที่เป็นนักวิชาการชื่อเสียงก้องโลกไม่มีใครเมื่อเอ่ยชื่อถึงเชกอบุลฮัสันอาลีอันนัดวี ที่ไม่มีในโลกนี้ในโลกของวิชาการอิสลามไม่มีใครที่ไม่รู้จักท่านแต่อยาให้ไปเห็นตัวนะครับไปเห็นตัวท่านเป็นคนที่นอบนอบ้อมถ่อมตนใส่ชุดขาวกางเกงขาวเสื้อขาวหมวกไม่มีรถส่วนตัวไม่มีแม้แต่บ้าน ที่มีของใช้ไหมสอยมีอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายไม่มีครับสมบัติที่มีค่าที่สุดของท่านคือวิชาความรู้ทุกๆสิบวันสุดท้ายของเกือนรมอตอนท่านจะกลับเข้าไปที่มัสยิดที่หมู่บ้านและทำการเนียติการจนกระทั่งถึงว่า ช่วงวาระสุดท้ายท่านอติกาใตายในการอติกาอย่าให้ขึ้นไปนั่งบนเวทีที่เก้าอี้ที่จะสอนผู้คนความรู้จะหลั่งไหลออกมาอายุแปดสิบพูดเหมือนกับคนหนุ่มเห็นถึงความมุ่งมั่นเห็นถึงความแก้นแข็งเห็นถึงว่าอิมานี่มันมีจริงจากคนคนนี้ ลูกหลานของท่านญาติญาติของท่านเช่นเดียวกันรับมารดกเหล่านี้ไม่ได้มีบ้านที่ใหญ่โตไม่ได้มีรถที่ยี่ห้อดีที่อาศัยรถส่วนรวมไปไหนไปไหนมาไหนรถโรงเรียนรถวิทยาลายัยมีคนขับอาจารย์ยังจำหน้าได้สุภาพนโมมาแล้วก็มานั่งบนเก้าอี้แล้วก็มีคนมาห้อมล้อมแล้วก็พูดกันพูดเรื่องอะไร พูดเรื่องของความรู้คนโน้นมาถามบ้างคนนี้มาถามบ้างถ้าเข้าไปเขาก็จะถามคําถามแรกว่าประเทศไทยเป็นยังไงนะประเทศไทยยังไงเธอกลับไปแล้วไปเรียนัเรียนหนังสือที่นี่เนี่ยเธอกลับไปแล้วไปทําอะไรบ้างทําโรงเรียนบ้างไหมทำโน้นบ้างไม่ทําอี่บ้างไหมเขาต่อยอก็าถามครูที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคารก็ต้องถามเหมือนกันว่าจะไปแล้วเธอไปเข้ามหาวิทยาลัยเธอไปตั้งชมรมไหม เธอไปอยู่ในชมรมไหมเธอไปละหมาดไหมเธอไปชวนเพื่อนเพื่อนให้เป็นมุสลิมที่ดีไหมช่างเป็อนอย่างนั้นส่วนคนที่หายไปเข้ากรีบเม่ไปโดนเกลื่อนไปก็ดูอาครับว่าขอรอสราตลาให้เขากลับคืนมาความรู้นักเรียพูดไปแล้วสวานนลอนมันเศร้ากับสังคมของ เราฉะนั้นขอให้ที่นี่สักที่หนึง่งที่หาดใหญ่เวียาคารเนี่ยเป็นสังคมที่อุดมด้วยความรู้อุดมด้วยความรู้แล้วมีความกระตือรือ้นในเรื่องของการศึกษาวิชาความรู้เรามีเวลาไม่มากมีเวลาไม่มากเวลาส่วนหนึ่งสำหรับการแสวงหาวิชาความรู้แม้เราจะเรียนได้ตลอดชีวิตแต่บางช่วงบางตอน บางระยะเวลาของชีวิตเรานั้นต้องทุ่มเทให้กับความรู้ทุกวินาทีมาเมื่อเธอเติบใหญ่เธอมีอายุรุ่นอาจารย์มีลูกหลายๆคนเธอมีภาระอื่นที่จะต้องทำความรู้การแสวงหาวิชาความรู้ของเธอจะเริ่มน้อยลงโอกาสที่จะมานั่งอ่านหนังสือโอกาสที่จะมานั่งอา่งานนกราชว่าโอกาสที่จะหันเข้าหาวิชาความรู้อาจจะมีน้อย บางทีถูกริษรอนด้วยสุขภาพที่อ่อนแอย่ำแย่ลงจะอานตาก็มองไม่เห็นอา่านแล้วมันปวดหัวอา่านแล้วมันปวดหลังเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่เธอกำลังเจริญเติบโตกิ่งกา้านใบดอกกำลังผิเนี่ยรีบรีบสูดลมหายใจรีบเอาอากาศเข้ามาที่จะ สร้างให้ลำต้นของเธอเนี่ยเติบใหญ่งอกงามและที่ดอกออกผลในเวลาต่อมาอย่าขี้เกียจจำก่อนสัส้นๆของท่านอบดลฮัสซันเชคอบดลฮัสซัน อ, ลอัลลัมมะอบดลฮัสซัน วัยตอนหนึ่งหนังสือกีรออากีรออาเรียนอาจารย์ไปปีแรกไปเรียนหนังสือเรื่องนี้เลยจำอยู่บางวัดอ่านไว้ฟังกฏยติในหลักตรรศหนังสือที่สอนสอนเบื้องต้นสอนเบื้องต้นหนังสือที่เรียนให้เด็กเรียนภาษา แต่ในให้เรียนภาษานั้นแฝงไปด้วยสิ่งที่จะสอนสอนเรื่องอะไรครับสอนถึงหลักแห่งการดําเนินชีวิตงอแยตีในลูกตอแบเป้าหมายชีวิตของฉันก็คือไปให้ถึงเป้าหมายชีวิตของฉันเนี่ยต้องไปให้ถึงสิ่งที่ฉันต้องการให้ได้เป้าหมายต้องไปไปให้ถึงเป้าหมายให้ได้ลาวเบลีบิตาฉันไม่สนใจว่ามันจะเหน็ดเหนื่อยขนาดไหน อาบดานีไม่เป็นขสนฉันจะสร้างบ้านที่ดีที่สุดบิลิซานลิสเซนด้วยอะไรครับด้วยลิ้นแห่งอะไรครับมันเป็นอะไรกันมันเป็นอาดับด้วยลิ้นแห่งแห่ง ก, การที่จะทําที่อยู่อาศัย ด้วยภาษาของการทำที่ทำที่อยู่อาศัยนี่แหละครับท่านบอกไว้เราไปอ่านมานึกวันนั้นเราไม่ได้คิดอะไรมากแต่วันนี้เรารู้ว่าโอ้มันแฝงไปด้วยท่านต้องการสอนอะไรบางอย่างและอะลรความรู้บอาอาจารย์เอาสิ่งนี้มาเป็นบทนำให้กับพวกเราเพื่อให้พวกเราตื่นให้ตื่นก่อนที่จะเรียนตื่นก่อนที่จะเรียนถ้าเรียนในหลับมันจะไม่ได้อะไรเลยตื่นที่ไหน ไม่ใช่ตื่นที่ตาตื่นที่จิตใจเตือนที่สมองอันกรานคนที่จะได้ไดรับประโยชน์จากอันกรานก็คือใช่ครับคนที่มีหวัวใจในซูรอกกอบอายาเสียอะไรอัลกวช أو อัลลัคด์สัมมา وهوشهيد أي قبله ماذا ها إن في ذلك ل لاعبرة لاعبرة اللي ما كان له قلبون أو أنقص سمع وهوشهيد นี่หลักในการศึกษาที่จะได้ประโยชน์สูงสุดคนที่จะได้รับประโยชน์จากการเรียน ลิมังก้านะลหูค้อนบุญคนที่มีหัวใจเรียนกับหัวใจหลังจากนั้นที่สองเอาอันก็สมหรือว่าฟังว่าหัวชจฮิต ห, หัวใจหู้มาสามเรื่องนี้แหละคนที่จะได้รับประโยชน์สูงสุดหัวใจ หูตาเคอเข้าไปในห้องเรียนถ้าไม่มีสามอย่างนี้ออกมาเข้าไปศูนย์ออกมาศูนย์เข้าไปศูนย์ออกมาศูนย์ แต่ถ้าเข้าไปสามอย่างนี้เธอจะเห็นความยิ่งใหญ่ของวิชาความรู้เธอจะเห็นว่าครูเตรียมตัวมาหรือครูไม่เตรียมตัวมาครูคนนี้โอเคครูคนนี้ไม่โอเคเธอจะกระหายในเรื่องของวิชาความรู้ถ้าเข้าไปด้วยหัวใจเข้าไปพร้อมกับหูจริงๆการฟังจริงๆและเข้าไปกับตาถ้าไม่มีสามอย่างนี้ความรู้การศรึกษาหาวิชาความรู้จะไม่เกิดประโยชน์ ที่น ok ี Song ่กล <acho> ับมาได้หรือว่าหลับไปพร้อมกับมุกติมาพร้อมกับบทนำนี้กลับมาสู่อายะห์ของอัลลอฮ์ س ب ح ا อลลอฮ์จบอกว่าและวันที่จะพิชิตพวกเขาและที่จะไม่ได้รับการมินิตจากอัลลอฮ์ อัลัการฟื้นคืนชีพการฟื้นคืนชีพมาแล้วการฟื้นคืนชีพชีวิตหลังความตายเข้าสู่ฉากของชีวิตหลังความตายเมื่อวานก็เข้าสู่ฉากของชีวิตหลังความตายแด่๋ยวเราวาตาลเห็นฉากของนรกเห็นฉากของไฟนรกได้เห็นภาพจริงของไฟนรก ได้รู้ว่าไฟนรกนั้นมีปฏิกิริยาอย่างไรกับคนบาปนรกหิวกระหายคนบาปขนาดไหนโกดเรื่องคนบาปขนาดไหนซาเโอลาตะไยุโววัซาฟีโผ่านไปแล้ววันนี้อีกฉากหนึ่งฉากของการฟื้นคืนชีพ มาดูว่าอะไรเกิดขึ้นเย้ามะอยากชูรุมวันที่พระองค์ให้พวกเขาฟื้นคืนชีพขึ้นมาฮ่มไหนฮ่มนู้นอะห่มที่ปฏิเสธปฏิเสธอัลกรุรอานปฏิเสธท่านนาบีสุลตัลลอฮฺอะลัยฮุสสลามแม้ว่ามนุษย์ทุกคนจะถูกให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาแต่ตรงนี้เล็งไปตรงนูน้น เพราะถ้อยค people, people, people thinking, so ําข้างหลังจะบ่งบอกว่าเกี่ยวข้องกับพวกพวกพวกที่บอกว่าอันกุรานเป็นอิสกุลเป็นข้ออะไรครับเป็นเรื่องมดเท็ดที่ถูกกุขึ้นมาเป็นอาซาตีมูฮัมมัดดูถูกท่านนบีมูฮัมมัดสลลลขวะอะเลาะอสลัมย่อยท่านนบีมูฮัมมัดสลลลขวะอะเลาะอสลัมด้วยคําว่ายัมชูนะยาฮูลูนตามรอยัมชูฟินอัวานี่วันนี้ฟื้นขึ้นมาแล้ว ไม่มีใครอยู่คํำฟาทุกคนกุลลุนักสินราไอคอนต้นเมาต์กุลลุนักสินราไอคอนต้นเมาต์มัทุกคนตายไม่มีข้อยกเว้นไม่ว่าจะอยู่ฐานะไหนจะไม่ว่าจะมีเงินสักกี่ร้อยล้านพันล้านเป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกหรือจะเป็นคนที่ไม่มีบ้านอยู่ไม่ว่าตําแหน่งจะขนาดไหน ตายหมดเลยแล้ววันหนึ่งจะต้องฟื้นขึ้นมาวันนั้นแหละเท่ากันพี่น้องเอ๋ยดังที่ปรากฏในฮะดีสว่ามนุษย์จะถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาในสาภาพที่อรอตันฮูฟาตาอรอตันฮฟ้าตาในสาภาพที่เปลือยกายล่อนจนไม่มีรองเท้าใส่ตีนไก่ครับ ได้ๆได้ๆท้มุฮัมมัดจะแต่งเรื่องอครยธรรมแต่งเรื่องชีวิตหลังความตายโอ้แต่งยากเหมือนกันนะแต่งไม่ได้แต่กุมเนี่ยกันคือความจริงไงบอกละเอียดหมดเลยตื้นจังโอ้พระยาตกใจยะมูซุลล๊ะอะลัยัมซูรุนะบาบุฮุมิลาบอักามาอัล โอ้รตสไอชัดามวันแล้วว่าเขาไม่ดูกันตายเลยท่านอัลสุลต์แค่ไม่เปิดเนี่ยก็โอโหฉีตาจะดูกันแล้วแกเห็นบ๊อบแอบแอบเนี่ยอยากจะดูกันแล้วแล้ววันนั้นเนี่ยปลายกายล้อนจแล้วไม่ดูกันเนอะนะอิลัยฮิลลอหละท่านอัลสุลลัลสลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมบอกเตือนสติอชารเดียวออ่นหาบอกว่าอันอัมรู ไอชัดดูมินดาลิกะเรื่องมันร้ายกว่านั่นไอช่มันรุนแรงกว่าเกินที่จะคนผู้คนจะดูกันเธอไม่เปิดดูไปค้นดูในเน็ตสงครามเวียดนามที่อเมริกันมาถลม่ม เวียดโกงเวียดนามนะครับมีภาพบางบางบางขั้นบางตอนที่คนเปลือยกายล่อนจนหนีสงครามหนีระเบิดหนีความเลวร้ายเอา้าถ้ายังไม่ชัดมันไกลเกินไปภาพของสึนามิที่เกิดที่ฝั่งอันดามันในวันนั้นรังนุ่งน้อยห่มน้อย คนสวยๆวยทั้งนั้นเลยที่แก้ผ้าคนไม่สวยยังแปลกนะครับคนที่แก้ผ้านี่สวยๆทั้งนั้นเลยคนที่ไม่สวยเนี่ยไม่แก้ละอิลาห์อินลอฮ์เธอไปดูที่ตลาดคนไม่สวยไม่แก้ครับไม่นุ่งสัน้นคนที่นุ่งสั้นคือคนสวยผิวขาวละอิลาห์อินลอฮ์คุณดีละอิลาหอิลอฮ์ อสัตว์บราณใช่ตอนสุดยอดสุดยอดของความเร็วระยำของมันมันเก่งมากยิ่งสวยเท่าไรยิ่งอยากจะอวดมากเท่านั้นอัลลอฮฺในวันนั้นถามว่ามีใครมีใครจะไปนั่งดูใครครับโกยอย่างเดียวหนีอย่างเดียววันวันนั้น ที่กลายเป็นศพเกลือนตามชายหาดเนี่ยนะครับศพที่มีแต่กางเกงในกับเสือ้อชั้นในถ้าผู้ชายก็กางเกงในและศพมันขึ้นอืดจนกระทั่งว่ากางเกงในขาดศพกลายเป็นสีดำไหมวันนั้น นั่นแหละตัวอย่างของวันเกียรติว่ายังมีชีวิตอยู่แต่ไม่มีกระจิตกระใจที่จะมองดูไม่มีอารมณ์อารมณ์หายไปหมดแล้วมันไม่ใช่ภาวะปกติโมว่าปกติโอ้ยใชาเป็นภาวะวิกฤตคนไม่มีอารมณ์จะดูกันหรอกเย้ามายาชุรเงือท่วมตัว ศาสนาซุนเาะศลัมยังบอกไปว่ามนุษย์บางคนเหงื่อแค่ตาตุ่มมนุษย์บางคนเหงื่อแค่เข่ามนุษย์บางคนเหงื่อแค่เอวมนุษย์บางคนเหงื่อท่วมถึงติ่งหูความกลัวความเร็วไความร้อนและอิละิลัลลอฮฺย่อมุ ยักสรุปจะมีอะมาอมาอาจจะมีโอกาสดีนะครับจะได้อยู่ใกล้คนใหญ่คนโตอยู่ใกล้คนใหญ่คนโตในวันนั้นเพราะคนจะถูกจับมวลหมู่มวลหมู่คนจะจะถูกจับจาพวกนี่พวกชอบดารา นี่พวกบ้าแฟชั่นนี่พวกกินเหล้านี่พวกเสพยานี่พวกสี่คูนร้อยนี่พวกซิ่งมอเตอร์ไซค์นี่พวกไม่ละหมาดนี่พวกไม่ใจสากาบ่งยบ่งาบ่งบ่งๆบ่ง บ, งบงไปอ่านดนูในอังกรานอังกรานบอกไว้หมดนะถ้าโชคดีอาจจะได้อยู่กับมหาเศรษฐี ในวันที่ฟื้นคืนชีพขึ้นมาเพราะเป็นพวกเดียวกันเสเพรเหมือนกันก็จะได้อยู่กับมหาเศรษฐีโกงเหมือนกันก็จะได้อยู่กับมหาเศรษฐีในวันนั้นได้ละห ล, ล่อหล่อหล่อย่มไม่ชั่วุมแต่วันนี้ตรงนี้ฉากนี้ฟื้นคืนชีพตรงนี้ เรื่องอะไรครับว่ามายาบูดูนามินดูนิลาให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วก็ให้สิ่งที่พวกเขาเคยบูชาบนโลกนี้เนี่ยมาด้วยบูช า, าเวิตบูชานาบับบีบูชามาลายกัตบูชานะครับคนนั้นคนนี้หลวงพ่อนั้นหลวงพ่อนี้ทวดนั้นทวดนี้โตะนั้นโตะนี้ในโต้ในโต้โตของเรานี่โตะ ถ้ายุทยาโตตะเกียร์ถ้าแถวๆไหนอยู่ที่ไหนโต๊ปันแงโตปันแงโต๊ะนอนะโตปันแงอยู่ไหนโตอะไรนับด้โตกี่โตนับไปโตมาพร้อมกับโต๊ะมาแล้วครบเลยพวกบูชามากัูกบูชาดวงอาทิตย์ก็มีมาเลยอัลลุฮตะลาจะได้พิสูจน์กี ใครผิดใครถูกเอาวันวันนี้แนะ่ะวันที่จะพิสูจน์ว่าใครผิดใครถูกมาคนเดียวเอาถามคนเดียวไม่ได้ต้องถามต้องเอามาสองทั้งโจทย์แล้วก็จำเลยต้องเอกมาเอาจำเลยนะว่ามาอย่บูดูนาะมินดูในลาดิงที่พวกเขาเคยเคารพบูชามินอื่นไปจากอาลัลลอฮฺสุลต่านละเฟย์กูน ใครกานอัลลอฮฺสาตาถามถามถามอาลัลลอรู้ไหมรู้รู้แล้วแต่ถามถามตรงนี้เพื่อที่จะบอกไงเพื่อที่จะบอกเพื่อจะสอนอะไรบางอย่างอัลลอฮฺสาตาลาลรู้แล้วแต่เห็นไห้เห็นกระบวนการว่าอัลลอฮฺสาตาลาลดำเนินกระบวนการที่มนย์ใช้ที่เหมือนกับผูกชีวิตบนโลกนี้ที่เราใช้กันถ้าเธอทำผิดชกต่อยกันครูเรียกคนเดียวได้ไหม เรียคนเดียวไม่ได้ต้องเรียกมาทั้งสองคนถามดูที่ว่ามนเรื่องอะไรคนนั้นบอกเขาตายผมก่อนรึเอาจริงไหมหรือบางทีก็แยกสอบสวนดูว่าพูดยังไงนะครับโยนในคนนั้นโยนในคนนี้ต้องถามต้องสองฝ่ายถ้ามีฝ่ายที่สามต้องเชิญมาทั้งสามถ้ามีสี่คนต้องเชิญมาทั้งสี่สอบสวนเป็นร้อยปากพันปากถึงจะมีพยานเนี่ยสิ่งที่พวกท่านใช้บนโลกนี้อลัลลอฮฺสวาตลาใช้มาตรฐานของความอะไรครับของความเป็นที่มนุษย์เคยใช้อะลรครับ ที่มนุษย์ใช่เนี่ยือสิ่งที่อัลลอฮฺสัตวละสอนวาถามว่าอันตุมอัลันตุมัยาีหาอลละโอ้หแต่อัลลอฮตลรักเหลือเกินอัลลอฮฺสัตว์ละรักแบบของเราเหลือเกินถามว่าอะไรครับถามว่าถามถามพวกเจว็ตถามมัสลัที่ที่ถูกคารบูชาเนี่ยครับถามพวกโต๊ะทั้งหลายน่ยถามพวกพวดทั้งหลายเจ้าทั้งหลายน่ยถาม พวกท่านเนี่ยทำให้บาวของฉันวองบาวของฉันหลงใช่ไหมโอ้โหไอ้บ้าดีไอ้บ้าดีไอ้บ้าดีบาวของอัลลอฮ์พวกท่านทําให้บาวของฉันหลงใช่ไหมวันนั้นพูดได้หมดเลยครับพูดได้หมดเลยพูดได้หมดเลยมักลงที่อัลลอฮฺสุวาตาลาสร้างพูดได้ถ้าหากอัลลอฮฺสุวาตาลาถามก็จะตอบ พวกท่านทาให้พวงบ่าวของฉันเนี่ยหลงใช่ไหมพวงบ่าวของฉันพวกนี้หลงใช่ไหมอัมหุมบอลลุสซบินหรือว่าพวกเขาหลงเองตอบมาโอ้นี่จะยาวเกินไปเขาบอกว่า คำถามในอนกุรานเนี่ยในภาษาเนี่ยมันไม่ได้ถายถึงบางทีไม่ได้ถามถามเพื่อให้ตอบจุดประสงค์ของคำถามบางทีถามเพื่อห้านบางทีถามเพื่อปลอบใจบางทีถามเพื่ออะไรครับเพื่อปฏิเสธบางทีถามเพื่อให้เกิดความอยากเอาไหมเอาไหมเอาไหม ไปเที่ยวกันไหมอ๋อเกิดความอยากขึ้นมาไปเที่ยวกันไหมเกิดความอยากขึ้นมาถามเรื่องประกาศบางสิ่งบางอย่างถามไว้เกิดความเกรงความความกลัวถามเพื่อที่จะให้เรื่องรู้ว่าเรื่องนี้มันสําคัญวามาอัตโรกะวามาอัตโรกะรู้ไหม รู้ไหมบอกถึงความยิ่งใหญ่เพื่อที่จะาห้คำถามนั้นเพื่อที่จะให้เห็นสิ่งที่จะบอกนี่น ม, นมันสำคัญมากหลายจุดประสงค์ด้วยกันเอาหลวสว่าวลาถามแล้วครับชอยสองชอ ย, ชยหนึ่งก็คือว่าเวิตพวกนี้เนี่ยทำให้บาวของฉันหลง สองบ่าวของฉันหลงเองถามร้านเกมหรอพวกคุณเนี่ยทำให้นักเรียนโรงเรียนหันใจวิ่งาคารเป็นบ้าไปแล้วใช่ไหมหรือว่าพวกนี้มาเองหรือว่านักเรียนมาเองคุณไปชวนเขามาหรือว่าคุณกุกกว่าหรือว่านะอะไรครับคุณไปชวนเขามาหรือว่าเขามาเอง แ้วผมตั้งร้านอยู่อาจใหญ่ไหนคุกมาก็ได้ไม่มาก็ได้ผมไม่ได้ไปลากพวกเด็กๆมาเนี่ยครับอ้าเขามาเองไหนกอลูจะเว็ตพวกที่ถูกคาราบูชาทั้งหลายเนี่ยพระเจ้าจอมปลอมทั้งหลายเนี่ยตอบแล้วครับตอบอย่างชะฉานสุบาฮานะกะอ๋อสุบาฮานะกะมาหาไปสุดยิ่งในพระองค์มาหาไปสุดยิ่งในพระองค์ เป็นการออกตัวที่ดีที่สุดออกตัวของผู้ที่เทิดความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺสุบฮฺฮะตาสุบฮานะการบริหารบริสุดยิ่งแด่พระองค์สุบฮานะเจวิตเหล่านี้เป็นมรคลุกของอัลลอฮฺสุบฮฺฮะตา ประจเวทเหล่านี้ก่อนที่จะมันเป็นมันจะเป็นตัวนะครับเป็นไม้บ้างเป็นหินบ้างเป็นอะไรครับเป็นปูนบ้างนะครับหรือมาในกาก็เป็นบาวของอัลลอฮ์นะครับดวงอาทิตย์ก็เป็นบาวของอัลลอฮ์ดวงจันทร์ก็เป็นบาวของอัลลอฮ์นบีอีซาก็เป็นบาวของอัลลอฮ์อูซัยนะครับก็เป็นบาวของอัลลอฮ์คนที่ถูกเคยถูกเคยถูกคารูปชาเนี่ยเป็นบาวของอัลลอฮ์สวาตลาหมดเลย ในวันนั้นจึงสุบฮานักสุบฮานักมหาวิเศดยิ่งแอบร้องมากกวานัยมบารีอัลลอฮฺภาษาภาษาภาษาถ้าเราคุ้นเคยกับภาษาอับเนี่ยจะมีเส้นที่สัมผัสได้เลยว่ามันเป็นภาษาที่ลึกซึ้งมากมากกวานัยมบารี ยาวสุบฮานักมหาวิสุทธ์ยิ่งเดรงไม่ควรอย่างยิ่งเป็นไปไม่ได้ไม่สมควรอย่างยิ่งอย่าว่าแต่จะมังคับเลยมันไม่ควรอย่างยิ่งที่อาจารย์พูดพูดวันนั้นที่เพื่อนเราเสียชีวิตนี่จำได้ไหมอาจารย์พูดอยู่คำหนึ่ง จังยังไงก็ตามแต่มันไม่ควรไม่มั น, ม, นมันไม่ไม่ควรจะตัดสินใจมาทางนั้นน่ะมันเกิดอะไรขึ้นถึงมาทางนั้นยังไงยังไงก็มันไร้มากุ้นภสาบก็ว่ามันไม่กินกับปัญญาที่จะตัดสินใจตัดจะตัดสินใจแบบนั้นไม่มีเ้าคิดไม่มีใครเ้าคิดนอกจากว่าเขาตั้งอยู่แต่ยันหอโลสว า, วาตัลลาหอโลสวาตัลลาเมตตามากันยังไ ทางเยมากมาทางข้างก็ได้ทางทางตรงก็ได้นะครับจะมาทางไหนก็ได้มาทางนา้นาทําไมน้านึกกับสภาพร่างกายที่ไม่พร้อมเสือ้อผ้าอาภรณ์ที่มันหนักตังเกงยินไรๆล้อมาการในยมบา ล, ลีมาการในยมบาลีถ้าจะเล่นอย่าไปเล่นกับไฟถ้าจะไปเล่นอย่าไปเล่นกับน้ำลึก ไปเล่นของอรืที่เขาเรียกว่าเล่นของน่ะอยาเอาไปเสี่ยงมันแค่เป็นแค่ตายแค่เสี่ย ว, วินาทีเดียวของเสพติดแรงต่างมาก้าในเยรมนีไม่ใช่สิ่งที่ไม่ควรจะลองได้ซ้ําไปลองดูสักทีที่บ้านอาจารย์คนนี้มากใจบุญสุนทานทา ม, มาค้าขายเจริญก้าวหน้าได้มีรายได้วันหนึ่งหลายบาทเขาอยู่ได้ด้วยความที่เขาอยู่กับไวรุ่นนะครับ เขอยู่กับวัยรุ่นเด็กๆก็รักนะเด็กก็รักนะเกกรา ก, ก็ดีใจคนได้อยู่กับวัยรุ่นนี่เป็นมาฉ่ำโลพูดอะไรกับวัยรุ่นเขาเด็กวัยรุ่นจะเชื่อแค่ว่าเราจะพูดอะไรแค่เราจะชวนอะไรและแค่เราจะทําอะไรชวนไปละหมาดชวนอะไรต่างๆชวนมาช่วยอาจจะไม่ละหมาด ก, ก่อน นะครับอ้าชวนมาช่วยจัดโต๊ะจัดเก้าอี้สุเราเวลามีกิจกรรมอะไรต่างชวน ม, มีมีมีอะไรครับมีขั้นตอนของมันคนที่เคยละหมาดเลยจะให้เขาใส่เสื้อผ้าใส่โต๊ะมามันเป็นไปไม่ได้ต้องมีขั้นนีตอนบอกทีละขั้นทีละขั้นเดี๋ยวั้มานะมานะให้เขาใกล้ใกล้กล่อนคุณเคยกับมัสยิดคนที่ไม่เคยมามัสยิดจะให้เขามาปั๊บแล้วพวกซา บ, บันใส่หมวกขาวใส่โตบเป็นไปไม่ได้ให้เขามาใกล้ๆมัสยิดก่อนเอาเราไปเล่นบอลกันหน้ามัสยิดไหม มัสยิดก็จัดสถานที่ไว้ให้นี่กุสโลบายในการดาวะเล่นบอลกันหนะ้ามัสยิดได้ยินเสียงอาจารย์อะไรต่างๆคนมาเดินมาคนวนมาเอ้ยเบามายังก่อนอ่าละหมาดก่อนเอเสื้อผ้าดกๆเอไม่เป็นไรดอกตอนที่ใส่มานะ่ะสะอาดไม่สา่านเงืเอเงือไม่ในยิสเวลาเวลาฉี่เวลาเยี่ยวนะ่ะล้างไหมล้าง้า ง, งเกล็ไมก็ไม่ในยิส ละหมาดตังเกงในน่ยผมก็เคยเห็นคนที่บ้านพอจะละหมาดที่ไรถอดกางเกงในทุกทีมึงไม่ล้างเดี่ยวเรื่องไหวะเห็นไหมไปตามปงตามปําบมาเดินทางเออเสื้อผ้ามันสกปรกอะไรเยอะขนาดไหนอะแต่งตัวออกจากบ้านเดินทางเนี่ยใส่เสื้อรี้อะไรเรียบร้อยกางกงกางเกงทั้งกางกงกางเกงในนะครับถ้าไม่ฉี่ไม่เยี่ยวนะครับก็ให้ยาเกลนไม่เด็กระโดดลงไปในน้ำความที่ไหน ก็ให้ยากินว่ามันสะอาดนี่บอกว่าละหมาดไม่แน่ใจไม่แน่ใจวัดซัดนันิ้มหอเล่าไม่รู้ค่อยกลับไปละหมาดที่บ้านโยโฮก็ไปรวมที่บ้านอาซัดก็ไปรวมที่บ้านมักรีบก็ไปรวมที่บ้านและตําราเล่มไหนตําราเล่มไหนเดินทางแล้วไม่ละหมาดเลยเนี่ยตําราเล่มไหนก็ครูคนไหนสอนคิดเอาเอง คิดเอเองคิดว่ากางเกงในจั๊กกะปลกุกถ้าเป็นคนต่างศาสนาคงว่าไปครับว่าเขา้อพิจารย์บอกว่าไม่ล้างเที่ยวไม่ล้างขี่น่ะมันเป็นไป ไ, ได้แต่สําหรับคนมุสลิมเนี่ยมีกางเกงในที่จกกะปรกที่เราใส่เข้าไปไหมหรือว่าตอนใส่เวลาเราไปเข้าห้องน้ําแล้วเราไม่ล้างอ๋ อ, อถ้าเป็นแบบนั้นโอเคแล้วทําได้ไม่สําหรับมุสลิมเวลาฉี่เนี่ยต้องมองซ้ายมองขวาก่อนเข้าไปห้องน้ําต้องดูก่อนว่ามีน้ํำไหมถ้าไม่มี วิธีที่สองทิ่ชูมีไหมอิสตินยาทิชชูที่นักวิชาการบอกว่าใช้ได้เหมือนกันเช็ดกับทิชชูสมัยก่อนใช้ก้อนหินใช้ก้อนหินครับก้อนดินที่แห้งอะดินปลวกที่ขนาดแค่นี้กี่ก้อนตาชีสามก้อน หมุนหมุนหมุนหมนฮะเพื่อคุณสมบัติของดินเนี่ยดูดซึม น, น้ำเราก็จะเห็นว่าพอโดนน้ำมันก็จะซึมเข้าไปนะครับเราก็หมุนไปทางอื่นอีกนะครับทางอื่นของก้อนดินอีกเอาซึมอีกอนั้น ก, ก็บีบรีดไปด้วยรีดไปด้วยนะรีดท่อน้ำด้วยท่อน้ำติ้งรีดท่อน้ำติ้งะมมนะมุสมาไม่อยาบนะเธอก็าำภาษาเธ อ, อ อันนี้ครับอิสลามมันจะเป็นชีวิตยังไงนี่คือชีวิตจริงไงคุณไม่สอนคุณไม่บอกแล้วจะใช้ชีวิตยังไงต้องบอกทุกเรื่องจะเยี่ยวจะพี่จะทำยังไงทิงมัเนี่มันเกี่ยวข้องกับมนุษย์เนี่ยมโนฮามัดสอนหมดเอาจลิกีลอาจนิกาอาจารย์ฟังติดหูมาเลยว่าโมฮัมหมัดสุลตาวาเลซัมเนี่ยชีวิตนี้เพื่อเธอ มหมัตต์เหมือนกบจะบอกเราว่าชีวิตของฉันเนี่ยเพื่อเธอทั้งหลายเพื่อเด็กเพื่อผู้ใหญ่เพื่อผู้หญิงเพื่อผู้ชายเพื่อคนทุกเพศทุกวัยมหัมัตตเป็นเพื่อชีวิตมหมัตตทำอะไรอื่นจากนั้นนอกจากทำเพื่อพวกเราทั้งหลายลูกจะกินนะกินด้วมือกวาซัมมิลล่าอามีมิลลแล้วทาเพื่อใคร มนุษ์คนเดียวที่พูดได้เต็มปากว่าเขาอยู่เพื่อพวกเราคือมุฮัมมัดสุลลัลฮวาเลยอัสลัมเอาก้อนที่หนึ่งหมดไปก้อนที่สองให้มันรู้ไปว่าไม่สะอาดก็ทำเหมือนเดิมก้อนที่สามจบน้ำไม่มีตายามุมละหมาด อไอ้ตรงไหนตำราเล่มไหนบอกว่าให้รว่ไปทั้งหมดเลยนั่งรถไฟจากนาราธิวาสจะไปทั้งทั้งถึงกรุงเทพนั่งตอนไหนไปจากนาราธิวาสขึ้นตอนไหนรถไฟเฮ้ยครอยู่นาราธิวาสบ้างเคยใครขึ้นรถไฟไหมอ่ะไปถึงกรุงเทพตอนไหนนั่งวันนี้สมมุติว่านั่งนั่งตอนเชา้าไปถึงเช้า ว, วันพรุ่งนี้กี่วักตู้ครับ ถ้าวัดูไม่ได้ละหมาดสักวัดตูนค่อยไปรวมที่นู่นรวมแบบไหนมาไรกัดจะจดยังไงมึงละหมาดมึงมันละหมาดยังไงเนี่ยคูณจะจดยังไงวะเพอเพอสองวันยังไม่ได้ละหมาดก็มายังไม่ถึงที่นี่จะจดยังไงจะหลงตาทา ง, างยังไงเนี่ยฮะแล้วมันเล่นเล่นรวบเอา นะครับซูเปอมาอยู่ในเวลาอะไรกับเวลาอิช า, ชานะครับทั้งทั้ง ม, มาอยู่ในเวลาเดียวกันหมดได้ไดทำตามกันไ ม, มา่าเจอจัดหมาานนั่งรถไฟตสมัยก่อนเป็นวัยรุ่นนั่งขึ้นไปมีคนลหมมานัน่นรถไฟรถทัวร์ก็เหมือนกันโรงพยาบาลก็เหมือนกัน คนป่วยว่าไปอย่างหนึ่งนะคนป่วยกระทั่งคนป่วยถ้าสติปัญญายังอยู่ต้องละหมาดละหมาดท่าไหนละหมาดอย่างไรนะครับทั้งมีขี้มีเยี่ยวว่ามันจนปัญญาแล้วต้องละหมาดเหมือนกันไม่มีข้อยกเว้นไดละนั่นคนป่วยคนที่ไปเฝ้ายัางไม่ละหมาดเลยคนที่ไปเฝ้าก็ไม่ละหมาด Allahu Akbar لا إله إلا سبحانكما يمباري لنا ไม่ควรอยิ that we, that we ่งที ah, ่เราที่เราไม่ควรอยิ่งที่เราอันนัตครอจามินดูนิกามินอาเลียที่จะเอาสิ่งอื่นจากพระองค์มาเป็นอาเลียมาเป็นมิตร มาเป็นผู้ที่รักมาเป็นผู้ที่เคารพพระเส่ไม่เราไม่เกี่ยวอย่าเอาล้อเราไม่เกี่ยวโต๊ะนั้นบอกฉันไม่เกี่ยวฉันไม่เกี่ยวนะมาเล็กัดบอกฉันไม่เกี่ยวก้อนหินบอกฉันไม่เกี่ยวต้นไม้บอกฉันไม่เกี่ยวนะครับ นา้นานบีบอกฉันไม่เกี่ยวเรื่องนบีอิสาเนี่ยนบีอิสามีแนอกรามีในอายะอื่นคูตาวุฒิเนี่ยถ้าสอนตัปซีมาลลอัลลอฮ์รูตาวุสามารถที่อยิบยกเอาอายะนนมาชนอายะนี่ตัปซีด้วยอัตัซีอัลอายะบินอายะเอาเหมือนกับที่อยู่ในเต็มเนื้อกระซิบเนี่ยเอาอายะนี้มาจักกับอายะนี้อายะนี้มาต่อกับอายะนี้นีครูของอาจารย์คนหนึ่งได้เรียนกับแกน่ะครับตาจวิต ที่มีครูแต่ยีวิตกราบเดือนระมาดอนจำได้เนี่ยช่วงสิบวันสุดท้ายเนีย่ยเป็นคนตาเลสไตน์ทำไมอยู่ที่อินเดียจะไปชวนมาพวกเรามาม า, มาเลบ้างคนไทยบ้างมาเข้าค่ายจะเดาวะมาเข้าค่ายในการเข้าค่ายก็ให้พวกเราท่องอันกราบแล้วก็มาแข่งกัน นะว่าใครจำมากก็ให้รางวัลแกมาสอนตะยวิตด้วยนะสอนตะยวิตให้ซึ่งเวลาก็ไม่มากแกมีความพิเศษอยู่อย่างหนึง่งเรียนจบด็อกเตอร์ทั้งด้านทั้งด้านอะไร ท, งทังด้านภูมิศาสตร์สุกชงมาเพื่อทำงานได้วะในหมู่นักศึกษานักเรียนมีครอบครัวมีลูก ชื Salvador, ่อว่าอบูมหมูดลูกชายชื่อมหมูดพูดได้แปดภาษาลูกชายแปดภาษาว่าล้อพอเรียนโรเรียนนานาชาติมีทุกชาติทุกภาษาและเด็กเรียนรู้เร็วมากมีสมองที่เป็นพี่อะไรทพิเศษก็สามารถที่จะแยกภาษามละยูแพรกแยกภาษาเกิดแยกแยกได้ในสมองเนี่ย มันสุดยอดที่อรรถบาตลตะลาสร้างมาเพราะฉะนั้นเราโง่เราทำเองใครโง่ทำเองไม่มีใครทำให้อรรถบาตลตะลาให้ความพร้อมมาสูงมากความพร้อมที่จะเป็นผู้ที่สามารถปกครองหน้าแผ่นดินได้นั้ไม่มธรรมดามาลายกัดยอมสุวยหยุดมนุษย์นี่มนุษย์ยอมมาลายกัดยอม เพราะว่าความพร้อมของมนุษย์พิเศษอะไรครับพิเศษว่าแกจำหมายเลขของอายะได้ทุกอายะทุกสุลกเดี๋ยวนี้ก็มีนะครับมีใช่ไหมครูตาวุสที่จำหมายเลขได้ด้วยนี่เป็นอีกขั้นหนึ่งจำอายะและจำหมายเลขเวลาพูดแกก็จะใช้วิชานี้อัลลอตาอัลล أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ัน ي จิม ي ขาจะกลั في سورة นอีกค ة كذا นสุรัตในสุร ي ตคดะอายะน์คดะเพราะอัลัยอก็จะ مكان อ خ ر في سورة كذا و, و, و آ ي ต كذا ي ละอ้ายะน์คด ي ยุกมายุกจ มีอยู่ครั้งหนึ่งแกมาลงไทยเนะี่ยกถามอาจารย์ว่าวันนี้ได้กี่บาทแล้วได้กำไรเท่าไรแล้วงงเรางงก็นั่งอยู่กับเขานั่งอยู่กับเขาแล้วจะไปทำมาหากินอะไรที่ไหนที่จะมีกำไรที่จะได้เงินได้กี่บาทแล้วแกถามกินไม่ออกแกบอกว่ารู้ไหม อ่านอันกราดดับเบี้ยบอกว่าเลยตัวอักษรหนึ่งตัวอักษรเท่าไรสิบความดีสามตัวอักษรสามสิบอลิฟลามีมสามสิบแล้วก็ถ้าเป็นไอยะบอกลองคิดดูสิวันนี้ฉันได้แก่แกคูณให้ดูเลยว่านี่ยได้ขนาดนี้แล้วขึ้นรถไฟเวลาไปนั่งตรงไหนไม่พูดร่ำดัําเป็น เดินพุมพัมพุมพัมพุมพัมพุมพัมเดินไปกลับไปกลับมาเดินบนรถไฟเรานั่งเรานอนหลับอย่างเดียวไม่รู้จะทําอะไรหลับอย่างเดียวถ้าฝรั่งเนี่ยอ่านหนังสือถ้าคนไทยเนี่ยถ้าไม่มีเพื่อนคือหลับถ้าไม่มีเพื่อนคือคุยฝรั่งนั่งแก้ผ้านะแต่ว่านุ่งกันนุ่งน้อยห่มน้อยแต่ว่าอ่านหนังสือเอออ่ะตรงโน้นไม่ดีตรงนี้ดีดีหนังสือเริ่มหนาหนาแบบนี้นะครับลองดูมาฝรั่งมันอ่าน เหื่อยดู่มีหนังสือพิมพ์เน่ยมันยางดีก็ดูหน้าปกหนังสือพิมพ์มว่าเราสมัยนั้นเนี่ยยังดีก็ดูหน้าปกไม่อ่านหนังสือขนาดนั้นแกก็เดินไปเดินมาเดินไปเดินมาพอพอมาถึงว่าห้ามเดินละแกบอกว่าได้ได้ทวนอันกรานสองเที่ยวจากกรุงเทพมาถึงฮานญ่ คนที่อ่านจากความจานี่จะเร็วย้อนวิเคราตัวบจ็จะเร็วไม่เหมือนเราอ่านธรรมดาเราต้องดูตัวดูสระดูอะไรผิดบ้างต ะ, ตะกุกตะกักตะกุกตะกักเวลาอิหมัมเอา เ, เวลาคนเป็นอิหมามตาะแวน่ะติดน่ะคนมามูมเหนื่อยด้วยนะครับผมนี่เหนื่อยไม่รู้คนอื่นไม่รู้ผมเหนื่อยเหนื่อยเพราะฉะนั้นพูดตรงนี้เลยว่า และมาตาระแว่เนี่ยสมควรที่คนที่จะไปยืนขั้งหน้าเนี่ยต้องคล่องครับเพื่อให้คนฟังเนี่ยมีสมาัดถ้าทำได้เสียงดีด้วยโอ้ไปยืนในมัสยิดฮารอมยุดก็อ่านยุดเลยนะครับยืนยืนมัสยิดฮารอมยืนที่ไหนที่มันที่มีอิหม่ามอา่านเดียวโอ้โหหัดใจนี่ไปเลยครับไปไปเรียกว่าไปตามตามเสียงของอันกุรอานนะครับ มีมาอยู่คนหนึ่งชื่ออะไรจำไได้ก็คนรุ่นใหม่เนี่ยอกเสียงแกสูงมากแล้วดังดังก้องฟ้ามันสิยงอารมณ่ะครับดังก้องฟ้ารเราไปยืนละหมาดแ ล, ล, ล้วอีหละให้เรละหมาดสุบุ้มไม่อยากจะออกจากการละหมาดแต่ถ้ามีคน อ, าอ่านกอกกปุ๊กกักติดไม่ได้ตำหนินะครับไม่แต่แต่ว่า มันเป็นเทคนิคที่จะช่วยคนคนให้ละหมาดได้ท่านหน้าเดียวพร้อมกับติดกุกกักกุกกักกุกกักเนี่ยครับมันเหนื่อยมากสำหรับคนฟังฟังลื่นไปซึ่งอัลลอฮฺสัตลาอนุญาตเรื่องเสียงเรื่องอะไรต่างๆทำเดิๆทำเดีนแล้วก็เราก็ ก, กลัวถ้าหมามคนนี้ขึ้นไป กลัวถ้าไม่ลืมก็คงจะอ่านผิดอ่านถูกอะไรต่างๆครับเราต้องรู้ตัวรารู้ตัวรานะครับพาที่คนตาตาคนที่ไม่อ่านไม่อ่านเป็นประจําเนี่ยครับตามก็จะช้าการอ่านเราก็ต้องตาต้องไปก่อนก็มีเทคนิคของเรื่องการอ่านเร็วอ่านช้าอะไรต่างๆก็เสียนเป็นอีกวิชาหนึ่งเราจะต้องทอดสายตายอย่างพวกเธอเนี่ยถ้าฝึกก็จะอ่านเร็วได้อ่านเร็วเร็วก็มีระดับอีกเร็วมากเร็วกลางเร็วกลาแต่เราต้องรักษา บีอะไรครับมุรอ א าดตันยิดรรักษาตันยิดไปด้วยเพราะถ้าอ่านเป็นยุดเนี่ยถ้าไม่เร็วถ้าไม่เร็วมันก็จะยืดเวลาออกไปพอยืดเวลาออไปมันก็จะส่งผลต่อความรู้สึกไม่ให้เกิดพิจนากับคนที่ละหมาดอาัลัตตาโนนอัลตะท่านนบีเคยถามใครสามสาวบามีคนมาลองเรียนว่าอ่านยาวมากนะนะพระเจ้า พวกเรามีธุระมีอะไรต่างๆว่ากลับบ้านน บ, บีถามอัฟ ต, ต้านุนอันตะน บ, บีถามว่าเธอส้างพิตนานะให้กับคนมาละหมาดยังไงทำให้คนเกลี่ยนเอาหรอโอ้ไปไกลอันนี้ไม่อสอนพวกเรานะต้องบอกว่าเราต้องสอนกันทุกเรื่องต้องบอกกันทุกเรื่องเพราะฉะนั้นนะบางทีมันไม่ใช่ไม่ถึงกับเป็นที่ฝึก นะครับถ้าใครจะมาเป็นนิมามอาจารย์แนะอย่างนี้สําหรับคนที่ไม่คล่องนะสําหรับคนที่ไม่คล่องเธอไปซ้อมมาก่อนเลยคืนนี้อ่านตรงไหนต้องรู้ล่วงหน้าวันนี้อ่านตรงคืนคืนนี้ครูมาธเก็ดครูก็บอกแต่เช้าไม่ใช่ไปธเกดคืนนี้เป็นิมามหน่อยครูก็บอกเธอเตรียมตัวล่วงหน้าเลยครับอ่านจากหน้านั้นอ่านเที่ยวเดียวสองเที่ยวสามเที่ยว อ่านทั้งวันเลยตรงนี้จะไม่เป็นอิหมามคืนนี้ทั้งเสียงทั้งอะไรต่างๆทั้งตัจีวิตทัง้ ง, ง, งอะไรให้ดีมันก็คือไปหาครูตาวุฒครูครับคืนนี้ก็จะให้ผมเป็นอิหมามครูจะฟังหน่อยผมจะอ่านครูก็จะได้ตรวจสอบหรือกันหรอไปฟังหน่อยตัจวิตผมอ่านถูกหรือเปล่าสุภาพบุรุษตาที่หาดใหญ่วิทยาคารไม่เป็นไรถ้าโรงเรียนส่งเธอไปเป็นอิหมามที่โน่นที่อิหมามที่นี่นี่เธอต้อ ง, ต, องต้องทำแบบนี้ มีใครทําแบบนี้เปล่เวลาจะไปพิณีมังแม้กระทั่งจะขึ้นเวทีไปบอกว่าเธอไปอ่า น, านาอั้งคานหน่อยอืดีเหมือนกันปล <c oughs> กปลกกแม่แตวเขาบอกว่าขึ้นเวทีไปเปิดงานหน่อยอ่านตรงไหนครับมาอ่านให้ครูฟังก่อนว่าเธอมามามาม า, ม า, ม, ามาอ่านให้ครูฟังก่อน คุตาวุฒบอกมาๆๆเดี๋ยวขายาติขายหน้าแล้ววัยเราวัยรุ่นเนี่ยครับไอไอไอโชว์ออฟความรู้สึกโชว์ออฟน่ะมันมีอยู่แล้วโดยธรรมชาติของวัยรุ่นเนี่ยความรู้สึกความรู้สึกโอ้โหมันมีซึ่งไม่ถึงกับว่ามันมันมันมีไม่ได้มีไม่ได้แต่ว่าเพราะเด็กๆนี่ทำไมเขาให้เขาโชว์บอกว่าเก่งนะเธอเก่งนะเธอมาชาลยกนิ้วให้ ให้กำลังใจกับเขาวันหนึ่งเมื่อเขาโตขึ้นมาสิ่งนี้จะหายไปเราสอนนะครับว่าต้องมีคลาสแรงต่างแต่ธรรมชาติของมนุษย์วัยรุ่นเช่นเธอไปเล่นบอลคนเชียเชียเชียเธอบ้าใหญ่เลยบ้าตามคําเชียะไอ้ น, นี่ยมันโชว์ออกไนงะโชว์ออกนะความโอ้อวดนี่มีอยู่ไปตามเสียงเชียแต่เมื่อถึงวันหนึ่งเมื่อได้เรียนรู้ก็จะปรับตัวเองนะครับเพราะนั้นก็ นะขอแนะนําว่าต้องต้องแบบนี้นะครับเรื่องของอันกรานเนี้อย่าทําเล่นอย่าทำเล่ น, ลนแล้วครูเราก็ช่วยดูแลด้วยเวลาจะให้นักเรียนอ่า น, นอะไรต่างๆก็นะครับไม่ใช่ว่าชัวบางที ก, ก็ก็พลาดได้พลาดทั้งสระพลาดทั้งคําอะไรต่างนะครับอัลลอฮฺตกลงว่าจะเวดปฏิเสธ ว่าเขาไม่เกี่ยวพวกเขาไม่เกี่ยวว่ลากินมัตตาตาหุมแต่เหตุจูงใจเหตุจูงใจที่ทําให้พวกเขาขอรบพักดีจะเจวตขอรบพักดีพวกเรากราบไหว้บูชาสักการะพวกเราเนี่ยสาเหตุเพื่ออะไรครับว่ลากินมัตตะตาหุมสาเหตุที่พระองค์ได้ให้ ให้ความสุขสบายกับพวกเขาให้อายุยืนยาวกับพวกเขาให้ทรัพย์สินกับพวกเขาให้อะไรจนกระทั่งว่าไอ้สิ่งที่พระองค์ให้เนี่ยทาให้พวกเขาเนี่ยเหินห่างจากพระองค์ไม่รู้จักอัลลอ์เพราะไม่รู้จักอัลลอ์ทีนี้สิ่งที่ไปรู้จักคือสิ่งที่ไม่ใช่อัลลอฮ์ตั้งหน้าเวทนาแล้วเกินมหาเศรษฐีไปก้มกราบ อะไรครับก้มกราบอะไรบางอย่างที่มันที่มั น, มนต่ำเหลือเกิน่เห็นลูกหมูที่มีห้าขาก็ว่าไอ้นี่ไม่ธรรมดาตายแล้วนะลูกหมูที่ออกมาแล้วตายแล้วมีห้าขาลูกแมวมีสองหัวฮะลูกหัวมีแปดขาไอ้นี่พระเจ้าดังนั้นเลยใครอ่ะ ใครที่บอกว่าสิ่งนี้เป็นพระเจ้าคนเมียนจะกินทั้งนั้นเลยโอ้เล่กเด็ดรถติดความอยู่ข้างทางเนี่ยมันเล่กเด็ดเนี่ยบอกหวยบอกไหมไม่ใช่คนธรรมดาทั้งนั้นเลยทำไมสมองหายไปไหนสมองหายไปไหน สมองคนเราบางทีหายไปกับความร่ํารวยหายไปกับอายุที่ยืนยาวหายไปกับญาติลาบยศหายไปกับตําแหน่งลืมอัลลอฮฺสุบานตละลาและคนพวกนี้แหละ ม, มัตตะตาฮุมอัลลอฮฺสุบานตละลาให้ความสุขกับพวกเขานะครับให้ความสบายกับพวกเขาด้วยอายุที่ยืนยาวบ้างด้วยทรัพย์สินบ้างด้วยตําแหน่งบ้างด้วยอํานาจบา ร, รมีบ้างมัตตาตาฮุม มาจากอโลสหมดนะครับอโลสลาฮาตาลาที่อโลสลาฮาตาลาให้มาให้สิ่งต่างๆมาไม่ใช่ของฮารอมนะครับไม่ใช่ของฮารอมทรัพย์สินอะไรต่างๆมันไม่ใช่ฮารอมโดยโดยโดยในตัวขอมันแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้อย่างไรแต่ถ้าเราไม่มีความรู้ทรัพย์สินก็จะเป็นเหมือนกับยาพิษนะตำแหน่งก็จะเป็นเหมือนกับยาพิษชื่อเสียงก็จะเป็นเหมือนกับยาพิษที่ทําลายเรา แต่ถ้าหากเรามีความรู้เราก oh <t ell an> an. ah ็จะยุ่จักจำแนกแยกแยะวาเลกิมตะตาฮุมวาอาบาอามบรรพบุรุษของพวกเขาก็เหมือนกันหัตตาจนกระทั่งว่าพวกเขาสุขสบายจนกระทั่งว่านาซูอัจิกะลืมการรำลึกถึงพระองค์ลืมคิดลืมคิดเรื่องอื่นคิดได้หมด คิดได้หมดเลยบัญชีเลขละเอียดขนาดไหนการค้าใหญ่โตขนาดไหนกิจการจะไปถึงไหนร้านจะมีกี่ขแขนงสาขาลูกจ้างมีกี่คนคิดได้หมดเลยโปรกง โ, โปรแกรมยาวเหยียดวันนี้จะไปที่ไหนเดือนหน้าจะไปที่ไหนจะไปประชุมที่ไหนจะไปติดต่อลูกค้าที่ไหนคิดได้หมดเลยทุกอย่างคิดได้หมดลืมอย่างเดียวลืมอัลลอฮ์ที่คิดไม่ได้ คิดไม่ได้ไม่ได้อยู่ในโปรแกรมว่าถ้าไปตรงนั้นแล้วจะเข้าสู่เราหลังไหนจะไปละหมาโดโรฮิที่ไหนจะไปละหมาดมะกริบที่ไหนนะครับจะถือศีลอดอย่างไรคิดไม่ออกน่าสู้อ ด, ดีกันมีไหมครับวางโปรแกรมได้หมดชีวิตวางโปรแกรมได้หมดแต่ว่าลืมอัลลอฮานะแล้ ว่ า, าน ا ก و ا ق มบูรอว่เกาเลยว่าเขาเลยเป็นเป็นกาหน้าแสดงถึงว่านะรครับเป็นจริงใช้กริยาอดีตไม่เพียงแต่ว่าไม่ไหวเพียงแต่เคยเป็นเท่านั้นแต่มันเป็นเรื่องที่เป็นจริงถ้าเป็นอย่างนี้นี่พวกเขาเป็นเกามั่นบูรอ เป็นมูชนที่หายเงนะมชมูลชนที่วิบัติบูรอ่อดในราฐสัพต์ทางรากการบอกว่าราฐสัพ์ว่าดินแผ่นดินที่ปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นไม่มีต้นไม้ไม่มีอะไรสักอย่างดินนี่แห้งแรง้งกันดานปลูกอะไรไม่ขึ้นว่างเปล่าดินที่ใช้ไม่ได้ดินที่เสียคนก็เช่นเดียวกัน ถ้าไม่มีสิเกตไม่ดำลึกถึงอรรสมาตาคนคนนั้นก็เป็นคนที่ภาษาดูวาเบกาคลายๆกับว่าพิการนะคนพิการบางคนบอกว่าไม่ยิดคนที่มีชีวิตแต่เป็นไม่ยิตคนเป็นแต่เป็นคนตาย คนที่มีมินฉาเกตอมัคานามยตันะอัยนคนที่ตายแล้วเราได้เห้ขามีชีวิตมันเป็นกีหนา้าอ่ะเป็นสิ่งอะไรครับเป็นเป็นการที่จะบอกอ้อมๆว่าคนตายคือคนที่ไม่มีอัลลอฮฺวาตลลาอยู่ในหัวใจคนที่ไม่ดำลึกถึงอัลลอฮฺสวาฮาตลลาตายจริง และอัลลอฮฺสัมภาระไดใ้ให้มีชีวิตกับการล้ำลึกถึงพระองค์กับการนะครับใกล้ชิดกับพระองค์กับการอิบัต้ากับพระองค์กับการได้อยู่ในาศาสนาของอัลลอฮวสัมภาระนี่ครับคนมีชีวิตเพราะฉะนั้นคนพวกนี้ก็มัมบูรอเป็นหมู่ชนที่ตกอยู่ในความหายันหยนะนะครับ فقد كذبواكم بما تقولون فما تستطيعون صرف ولا نصرة ดังนั้นพวกมันได้ปฏิเสธพวกท่านแล้ละ เจ้าเวิได้ปฏิเสธพวกท่านไม่เกี่ยวฉันไม่เกี่ยวที่มาคารบบูชามากาไหวฉันไม่เกี่ยวเลยอย่าล้อสบานัดมากานะยัมบะนะมามรีลานะมาวยิ่งยิ่งแบบโรงเราไม่เกี่ยวล้อสบาน เ, เราไม่คควรที่จะทำเช่นนั้นเราไม่ไปชวนพวกเขามาวินกาล์อิชัยตอนุลัมมาคุฎิยันอัมร์วันพิบาาัติสาเอาฟังชัยตอันอีกชัยตัน ใช้ตอนเปิดเผยท่าแท้ตัวเองวันเกียมวัะกลชตอนลัมมะกูเดียนอมัมเมื่อใช้ตอนได้พูดได้กล่าวปราศัยตอนที่ลัมมากูเดียนอมัมเรื่องต่างๆถูกตัดสินกล่าวว่ายังไงครับชชยตอนกล่าวปราศัยนะ อินนัลลอฮฺว่าเดกุมว่าเดลฮะค่ะแต่จริงอัลลอฮได้สัญญากับพวกท่านซึ่งสัญญาที่จริงเป็นสัจรูวะวะตุคุมฉันก็เหมือนกันสัญญากับพวกท่านแต่ฟังว่อัคลัตตุคุมแต่ฉัน หลังผิดสัญญากับพวกท่านฉันหลอกลวงพวกท่านกันนั่นเองสัญญามัองกันมาสอยาเสพติดสัญญาเอาฉันกินฉันเนี่ฉันจะให้ความสุขท่านจะไปอยู่ในโลกอีกโลกหนึ่งสัญญาแต่พอไปจริงแล้วไปอีกโลกหนึ่งจริงๆครับเสียผู้เสียคนไปเลยความเป็นมนุษย์ได้หายไปชั่วพริบตาเดียว เหลือไว้แต่โลกที่อยู่ในจินตนาการหัวสมองสมองถูกทำลายอย่างสิ้นเชิงนะได้สำเร็จที่อัลถศาสตร์ลาห้ามเล่าก็เพราะทำลายสมองของคนทำลายปัญญาของคนเช่นเดียวกันกับสิ่งใดมาอสการะกะซีลุหูฟากาศฟะกาลีลูหูฮะรอมน มาอัการ่าค ثير ุห์ฟะคุลิลุห์ห้รำมุไมาอักษร่าค ثير ุห์ว่าะลิลุห์ห้รำมุเนี่หลักครับนบีบอกอะไรๆตามทันนบีตามทั น, น, บ, ทนบอกไว้ล่วงหน้าเพราะนบีทําเพื่อเราไงอันใดที่ถ้าส่วนมากของมันแล้วทําให้มึนเมาน้อยนิดนิดเดียว ก็ฮารอเหมือนกันไม่เมาไม่เมามเหล้าแขกกนะเหล้าแขกเอ้านักโทษมันก็ออเหล้าแขกไม่เมากินแล้วไม่เมากินอะไรไต่างๆไม่มีไม่รู้นะครับไม่เหมือนเหล้าแต่มันนะพอ ก, กินมากมากไปกินมากมากไปอยู่ๆกลายเป็นคนละคนกันแล้ว เราพ่อแม่ศาเลียเ้ยงเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กตั้งแต่แบเบ๋อถึงลงฉายีิต่อไปนะครับอาจารย์แนะนําว่าเธอทําวีดีโอไว้ที่เลี้ยงลูกแล้วทําวีดีโอแล้วเก็บไว้เป็นความลับทําพินัยกรรมไม่ให้ร้อยว่าเธอกว่าจะลูกคนนี้จะโตขึ้นมาเนี่ยขั้นตอนยังไงบ้างเขียนพินัยกรรมเอาไปใส่ตู้เซฟไว้ว่าวันไหนที่อายอตายมาตายไปเปิดเอาตู้เซฟ เอาวิดีโอม้วนนี้ซีดีแผ่นนี้ออกมาเปิดจะได้รู้เผื่อว่าจะได้เตือนสติเผื่อว่าจะไม่ได้ตกเป็นทาสของยาเสพติดอ๋ออาจารย์เห็นเด็กหลายคนเห็นลูกเห็นหลานลอ๋อหัดหัดมาฉันลอนึกเห็นภาพเขานั่งอยู่กับหน้าต่อหน้าครูเขาอ่านอันกรานเด็กที่น่าราัาอ่านอันกราน ครูชมบอกว่ามาชาอลล์เด็กคนนี้จําดีเหลือเกินอ่านเสียงก็อลัลลอฮฺสาฮ์ตลาให้เสียงเสียงเนี่ยอัลลอฮฺสาฮ์ตละให้นะครับทำได้ส่วนหนึ่งแต่ว่ามันทําได้ไม่มากแต่บางคนเนี่ยมันเหมือนกับนกอะ่ะเหมือนกับนกนกเขาทำไมนกเขาบางตัวโอเคนกเข า, าเขาบางตัวอลัลลอฮฺสาฮ์ตละให้แล้วต้องเอาพ่อพันุ์เนี่ยไปผสมถึงจะออกมาเป็นนกเสียงดีเช่นเดียวกับมนุษย์ มาชาอัลลอฮฺพอออกเสียงตัวซีนพอออกเสียงตัวซอสบอกมาชาอัลลอฮฺเสียงเสียงมันเข้าไปในใจเสียงมันเสียงมันชัดอมีนักเรียนของเราบางคนนะครับที่เคยมาเรียนที่นี่เด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายมาชาอัลลอฮฺพออาน้านมาชาอัลลอฮฺเราคนก็จะตื่นขึ้นมาทันทีนะครับพอเขาอ่านอัลกุรอานมาชาอัลลอฮฺตื่นขึ้นมาทันทีเลย โตขึ้นมาโตขึ้นมาจากการที่อยู่กับโต๊ะแชร์ของเขานะครับเดินต้อยมาอ่านอังรารเราเห็นภาพนะครับเห็นภาพมาเห็นภาพมาเรียนหนังสืออยู่หมหนึง่งได้ที่จบปสี่จบปจบป้าปหได้ที่หนึง่งได้เกรดสจบหมหนึง่งมอสองเริ่มเริ่ม พอมีเพื่อนมีอะไรต่างๆแค่สองสามปีจบมสามไม่รู้จะไปไหนแล้วหาที่เรียนไม่ได้ตอนนี้ใช่ตอนลุกสิ่งเสพติดลุกเข้าไปลุกเข้าไปลุกเข้าไปเขาเคยมาอยู่ที่นี่ครั้ง จะ ย, ยังจได้ขึ้นไปค้นที่หอมีอาชาอะไรวันนั้นที่ได้เจอเพราะว่าตำรวจมาล้อมโรงเรียนตำรวจมาล้อมโรงเรียนอยูอ่สมัยนั้นนักเรียนชายอยู่หอพักน้นหอพักนี้ยังไม่มีอะนี่วะไม่มี มาตำรวจมาล้อมโรงเรียนครับตอนคุูวอาจารย์ไปนิมมำละหมาดวันนั้นจําจําได้ใส่เสื้อลายออกมาให้สาลามเสร็จออกมาตารวจเต็มแล้ยกทักก้าวมาเลยล้อมเต็มหมดโรงโรง้ม โ, โรงเรียนมีคนไปแจ้งความว่ามีเด็กสามจังหวัดมาเอาเด็กสามจังหวัดมาอะไรครับมาฝึกอ่อเชิญครับท่าน ตรวจปรากฏว่าไปเจออาชาใต้เตียง <energetic> แลกวชลงมาบอกได้นั่นคนคนที่ว่าเป็นญาติเป็นล er ูกเป็นหลานวันนี้วันนี้ก็ไม่เป็นผู้เป็นคนมาชาวลอกขึ้นมาพร้าวเก่งเพราะมันหิวขึ้นมานะครับมาพร้าวบนต้นท่มีเหลือครับขอให้มีขอให้แก่นะครับขายหมด กระเป๋าสตังค์อยู่ตรงไหนหาเจอหมดอย่าได้ลืมสตังค์ไว้ที่บ้านของโตของมากของใครต่างๆขี้ยงขี้ยางถ้วยยางตกน้ำยางเกลี้ยงข ย, ยันถ้ามันหิวขึ้นมานะครับอัลอลอฮชั่วช่วงนักถึงว่าวัย น้องของเขาไปอยู่หมาวยาอะไรแล้วจบหมาวยาอะไรนะเนองเขาฉลาดกว่าน้องแต่เนี่ยครับยาเสพติดยาเสพติและจากวันนั้นจนกระทั่งถึงวันเนี้ยยาเสพติดมันพัฒนาไปขนาดไหนที่กลายมาเป็นแคปซูลเจอนักเรียนยายาแก้ปวดยาแก้เมื่อยยาแก้คลายเส้นไม่รู้เลยแต่เดี๋ยวนี้มันกลายเป็นยาเสพติดหมดเลย เอามาพลิกแพงให้มันกลายเป็ญยาเสรจติดหมดเลยนาอินทรีาาย์มากๆนี่แหละครับจําเป็นต้องติดอาวุธและติดอาวุธต้องติดกลอนะครับที่สําคัญก็คือวิชาของอังกุรานเนี่ยอาจารย์คิดว่ามันเป็นบารากาได้เราเข้าใจอังกุรานเราจะได้ฉลาดเพราะว่าพระผู้เป็นเจ้าสอนเราโดยตรงไงไม่ใช่ครูสอนครูาสานตะลาบอกเราโดยตรงเนี่ย ว่อกวาชัยตอนลมมาคุยันอัมรอินน anyway ั่นลาบอกว่าอันไมะ่เดาบกวมาอินนัละที่เขาบอกวานั่นละที่าบอกวอินัลาบอกว่าินนั่นท่เาบอกว่าอิน่ลทีเขาบอ่ันแหละท่เอว่าอนันแหะท่เขาบวนันแตที่าว่าอนน่แค่เขาบอกว่าอนนั่นแหละท่าบอ่อนั้นแหละที่เบอ่อนนั้นแหลทาบอกอินนนและท่าอินนั่นแลทากวินนันแหละ่เขวินนั่น่อ ไ ป, ไปไปนะเทียวเจ้าตลาดามานะไปไปแล้วจากเพื่อนคนหนึ่งไปต่อไปพบ ก, กับเพื่อนอีกคนหนึ่งไปอย่างนั้นนะเพื่อนเราสองคนเนี่ยเอาเพื่อนคนนี้ไปเจออีกคนหนึ่งคนหนึ่งไปเจออีกคนหนึ่งแล้วมันไปกันเรื่อยนะครับไปกันเรื่อยแล้วถ้าเข้าไปสู่วงการนี้เมื่อถึงระยะหนึ่งต้องขายอย่างเดียวถ้าไม่ขายอยู่ไม่ได้เพราะอะไรเม็ดหนึ่งเท่าไหร่ อย่าบ้าเจ้าเงินที่ไหนมาสี่ห้าร้อยตามบ้านตามบ้านสี่ห้าร้อยเมตรหนึ่งสองสามร้อยสี่ห้าร้อยนะครับเจ้าเงินที่ไหนซื้อนอกจากว่าต้องขายถ้าไม่ขายก็ต้องขโมยถ้าไม่ขโมยก็ต้องหาวิธีอื่นยังให้ไปฆ่าไปแกงไทยที่ไหนยังสามจังหวัดก็มีที่ระบงระเบิดที่อะไรต่างๆเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ย ใช้คนพวกนี้ผู้ปกครองมาอาจารย์ช่วยด้วยครับไปแล้วนักเรียนเราไม่อยู่แล้วผู้ปกครองกนหนึ่งมาม า, มาพบอาจารย์อาจารย์ช่วยด้วยครับเดี๋ยวนี้ทางสามจังหวัดแย่มากเด็กวัยรุ่นถูกใช้ใช้จากยาเสพติดเนี่ยไปต่อยอดไปทำอะไรก็ได้ไปทำอะไรก็ได้ไ ยาเสพติดคดีนี้มันเกิดที่กรุงเทพจริงๆในเจ้าของไอ้ไอ้พระรามเก้าคาเฟ่เนี่ยครับยาเสพติดติดยาเสพติดใช้ทำอะไรครับได้สักสี่ห้าห้าหมื่นนี่หวานแล้วยิงหัวคนคนหนึ่งได้สักสี่ห้าหมื่เนี่ยมันหวานแล้วมันนึกถึงว่าจะได้สักกี่เม็ดไงนั้นมันไม่เกี่ยวชีวิตมันมันมันไม่เด็ติดกับอะไรแล้วเมื่อยาเสพติดมันเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้ติดกับอะไรแล้ว จะเป็นจะตายยังไงมันไม่เกี่ยวแล้วถ้าซิ่งมอเตอร์ไซค์ก็ให้มันหลุดโลกไปเลยมันจะหลุดโค้งตรงไหนก็มนไม่เกี่ยวแล้วยาเสพติดครับฆ่าใครไม่ได้สนไม่ได้แก้กันดิ้งปืนเหมือนยิงนกยิงปลายาเสพติดครับยาเสพติดสงครามไหญะนะของมนุษยชาติไหญะนะของมนุษยชาติหาะนะของอุมมากําลังเกิดขึ้นหญะนะของอุมมากําลังเกิดขึ้นพื้นที่ ริมชายฝังพื้นที่แผ่นสังกัมปงมุสลิมเต็มไปหมดแล้วเธอถ้ามีเรื่องเหล่านี้อยู่ที่บ้านถ้าอยู่ที่โรงเรียนอาจารย์ครับผมไม่กลับบ้านแล้วครับขออยู่ที่หอพักทําไมลูกไม่ไหวแล้วที่บ้านผมผมกลับไปผมไม่ไม่คบเพื่อนก็ไม่ได้จะห้ามอาถ้าอาจารย์มีลูกอาจารย์บอกมึงอย่าไปไหนนะขังอยู่ในบ้านไม่ได้เขาต้องคบเพื่อนเขาไปเล่นบอลบางทีอยู่ในสนามบอล พูกครองนังเรียนคนนึงบอกอาจารย์ว่าอาจารย์ครับไม่ไหวแล้วครับเที่ยกรุงเทพเวลาไปออกค่ายบนรถตู้ขายยาบ้ากันไปที่ค่ายก็มียาบา้าครูขายนักเรียนเสพนักเรียนอไขายขาดเกลื่อนไม่มีพื้นที่ว่างนอกจากในโรงเรียนท่าั้น รอบหมู่บ้านเต็มไปหมดแล้วแล้วอุลมา้าจะเหลืออะไรตายที่ซีเรียเท่าไรเราตกใจมากแต่แต่นี่เนี่ยครับมันไม่ได้ตายเป็นร้อยศพพันศพเป็นหมื่นศพเป็นแสนศพ เ, เหมือนในซีเรียเหมือนใน อ, อัฟ ก, กานเหมือนในอิรักแต่คนที่มีอยู่นี่มันตายไปครึ่งหนึ่งแล้วเยวาวชนที่มีอยู่นี่ตายไปครึ่งหนึ่งแล้วเท่ากัจริงไหม แล้วเราไม่รู้ตัวค่ะขอขอดุอาจกอัลลออาจารย์พวกช่วยพวกเราไม่ได้พวกเราต้องขออุจากอัลลอฮุลานตละให้เราห่างไกลและอัลลุลานะอัลลุานะคุ้มครองพวกเราก็ปอดภัยอินชาอัลลมกานะรีอะลัยกุมมซุตานลลาดอันอุตุคุมฟัสจับตุมลีทวกท่นตอบรับฉันเวลากะลูมูนีวลูมวสะกุพวกท่านย่มาตำหนฉันยมาประนามฉัน ให้ตำหนิตัวพวกท่านเองเวลานี้เราจะด่าใครครับจะดา่าขุนศาขุนสารู้จักมายาชายาเสพติดจะด่าพวกรัสฉานจะด่าพวกฝั่งชายเดนพมา่าจะด่าคนขนยาเสพติดมากด่าไปก็ไม่มีประโยชน์นครับรู้มัว่าพระองค์ตำหนิงพวกเราเอง พวกเราเองไม่สร้างเกาะคุ้มกันให้มันมาสักขนาดไหนให้มันขนมาเทมาให้มันขนเล่ามาเล่านอกเล่าในเล่ายี่ห้อไหนมันมาเถอะแต่เราไม่เคยเหลียวแลมันเอาทำดลเราทได้ทาได้ทาได้และนี่คือวิธีที่ที่อิสลามสอนเราว่าเราอยู่ในตรงนี้ เราล่อสวาล่อสวาตะอิสลามไม่ได้ให้เราหนีขึ้นเขาหลบไม่มีที่หลบแล้วอยู่ใจหัดพลังมาจะเราขยับนะเราจะขยับขึ้นมาบนเชิงเขาพลังขึ้นมาทำรีสอร์ทเชิงเขาเราขยับขึ้นขึ้นยืนเขาเขาเรียกว่าอะไร อะไรประกาศตาแขกอะไรคนที่สุดก็คือแขกไล่ลิงไงแขกไล่ลิงไปสุดที่แขกไล่ลิงยินไล่แขกแขกไล่ลิงเจ๊กไล่แขกแล้วก็แขกไล่ลิงคือเจ๊กเนี่ยไปกวานซื้อที่บินใช่ไหมแขกก็ต้องถอยด้วยครับได้เงินแล้วต้องถอยไปไหนอ่ะขึ้นเขาขึ้นเขาไปทำอะไรไล่ลิงเจ๊กไล่แขกแขกไล่ลิงเจ๊กไล่แขกแขกไล่ลิง มันมีที่ไปไล่ไล่ลิงเราได้หลายจนแบบนี้ประชาชาติอิสระนี่นะครับนี่คือเการาะคุ้มกันที่ยิ่งใหญ่ใหญ่ของอโลสราตลาสอนทุกเรื่องสอนกลเม็ดของชัยตอนว่ามันมีที่วิธีการอย่างไรมีวิธีการอย่างไรวักลับทุกคุมมากันนเรองอะไรคุมอ่านิสุปปานีลาดาวันดาวถูกุมพัดสยจับตุมลี فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا م ُ س ْ ر ِ ق ك م وما أنتم م ُ س ْ ر ِ ق ي วันนี้ฉันช่วยนะช่วยพวกท่านไม่ได้และพวกท่านก็ช่วยฉันไม่ได้เนี่ยทั้งสองชะตากรรมเดียวกันทั้งเชยตอนและก็ผู้ที่ถูกเชยตอนหรอกก็คือไปนรกเลย فقد كذبوك م فما تقولون فما تستطيعون صرف จะผลักไสไม่ได้ผลักไสก็ไม่ได้ ولا نصرة จะขอความช่วยเหลือใดๆก็ไม่ได้ผลักไสก็ไม่ได้จะขอให้ใครช่วยก็ไม่ได้ พอถึงวันที่ต้องได้รับการลงโทษจากลอ ส, สลแหงเจล่าจะไม่รับการลงโทษก็ไม่ได้จะขอความช่วยเหลือจากใครก็ไม่ได้วะไม่เอาลิมมิ้งคุมนูซิคุฮูนูซิคุนูซิคุฮูอาดับบันคับีร ผู้ใดที่อาธรรมจากหมู่สุเจ้าเราจะให้เขาลิ่มรถกับการลงโทษที่ยิ่งใหญ่ไม่มีการอาธรรมใดที่จะยิ่งใหญ่เท่ากับการชีริกตอโลสมาตลาประการต่อมาอิฟต์ตราวัลลอฮฺอินฺคาิบอิฟต์ราวัลลอฮฺอินฺคาิบ การโกเรื่องเท็จแล้วก็พาดพิงไปถึงอัลลอฮฺสุวาห์ตัลลานี่อัลลัมอัลลัมความอธรรมที่เลวร้ายจริงเนี่ยเนล่อัลลอสุวาห์ตลลาให้ได้รับการลงโทษที่ยิ่งใหญ่ขออัลลอฮฺสุวาห์ตัลลาได้คุ้มครองพวกเราจากการจากการลงโทษขออัลลสุวาตลลาขออัลลสุาตลาได้คุ้มครองเราพวกเราทั้งหลายจากความเลวร้ายที่จะกลายเป็นอัมัมบูรอนะครับ ในอายะที่อัลลอฮฺสุลต่านได้กล่าวถึงขออัลลอฮฺสุลต่านได้คุ้มครองเราให้ปลอดพ้นจากการถูกลบลวงของมารรายชัยตอนปลอดพ้นจากสิ่งเสพติดทั้งหลายอย่างไรก็ตามพวกเรามีหน้าที่ที่จะต้องปกป้องตัวพวกเราเองนะครับตัวพวกเราเองกัครอบครัวของเรายัยละีนาอัมาุอู่อัมฟุสกุมวาฮลีคุมนาลและเกาะที่คุ้มกันได้ไดีที่สุดคืออายะที่อัลลอฮฺอันกุรานนี่แหะครับ อันกรานที่เราเข้าใจแล้วแป ล, แป ล, แปลมาเป็นชีวิตจริงของเรานะครับพยายามซึมซับเอาความหมายอันกรานาทบทวนอันกรานอ่านอันกรานรับอันกรานเป็นหัวจิตหัวใจนะครับก็ขยายผลครสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้การศึกษามีความสุขกับการเรียนเหล่านี้เป็นต้นจะช่วยพวกเราให้รอดพ้นจากความเดือดร้ายทั้งกลุครับสำหรับวันนี้ก็ อาวั m ังเทนิกับอกรบปลียาดาวะสเมร่าฟาวิ